วันนี้ก็เป็น <c oughs> บายของวันที่สี่ พันห้าร้อยหกสิเอ็ดเป็นวันที่หกของการปฏิบัติในปาาวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เชื่อมโยงจากเมื่อเช้าเมื่อเช้าเราได้ได้ได้ฟังท่านอาจารย์พุทธทาส สาธยายเครื่องความเป็นอยู่โดยชอบคําที่เข้าใจได้ยากในการละตัวกูของกูนะคือคำว่าละตัวกูของกูของท่านเนี่ยมีทั้งสองชั้นชั้นแรกก็คือละสกายะทิฏฐิจากคนธรรมดาเมื่อมีความเป็นอยู่โดยชอบนั่นก็คือเจริญอริยภาพมีองค์แปด ก็จะสามารถละสักกายะทิฏฐิคือความเห็นผิดในความเป็นตัวตนในใจลงได้นะแต่อุปาทานที่ยังมีอยู่ในกายกับใจหรือขันธ์นี้ยังคงมีอยูนะ่เพราะฉะนั้นในพระโสดาบันละสักกายะทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราลงได้ ในคนทั่วไปอาจจะสับสนเพราะท่านแยกไม่ออกว่าต่างกันยังไงนะในระดับที่บอกว่าละสักการะทิธิเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันแต่ยังเหลืออุปาทานในขันมันแปลว่าอะไรแล้วในพระอรหันต์สามารถละอุปาทานในขันได้สลัดคืนสู่ธรรมชาติเข้าถึงพระนิพพานมันก็อธิบาย มันอธิบายไปท่านก็ฟังเป็นสมมุติบัญญัตินะนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าในระดับต้นความรู้สึกว่ากายนิจใจนี้เป็นบุคคลเราเขาก็คือเป็นเราเป็นเขาเนี่ยถ้ามันยังมีอยู่ก็คือเข้ามาเห็นความจริงให้มากความจริงการละเนี่ยมันคือการพอเห็นความจริงตามความเป็นจริงให้มากไม่ต้องไปสร้างความจริงใหม่ขึ้นมาในใจน เพวของจริงเนี่ยมันประจักษ์อยู่ต่อหน้าเจ็บปวดคันชาไม่สบายเป็นโรคร้ายเป็นโรคน้อยเป็นโรคมากไม่เคยมีอะไรที่บังคับบัญชาได้เลยเขาจะเป็นเขาก็เป็นเขาจะหายเขาก็หายเขาไม่หายเขาก็ไม่หายนะกินยานก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีอะไรที่เราบังคับบัญชาได้สักอย่าง <c oughs> การเห็นความจริงก็ไปในระดับต่างๆนะ ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันก็จะทำให้เกิดความการละความเห็นผิดนะการละความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นเราแต่ด้วยความที่ต้นเหตุจริงๆเนี่ยคือจิตเนี่ยนะวันนี้พูดไปก็ฟังไปก่อนก็นแล้วกันจิตยังไม่ได้เกิดความเห็นผิดได้ก่อความรู้สึกขึ้นมาเป็นเรา ในชั้นนี้ท่านพุทธทาสก็ยังใช้คําว่าตัวกูของกูนั่นแหละคือพอมันจิตมันเข้ามารู้สึกเป็นเราเนี่ยมันก็เข้าไปยึดธรรมชาติต่างๆที่ก่อขึ้นมาแล้วพยอดีตผู้เจ้า ก, ก็เรียกว่าขันห้าเนี่ยกายนี้เป็นกรรมเก่าแลนะเพราะมันก่อขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ามันเพิ่งจะมีขันห้าแล้วก็มีความยึดถือทัทีหลังไม่ใช่มันเริ่มต้นกันมาเลย มันเริ่มต้นกันมาเลยมันเข้าใจผิดกันมาตั้งแต่ต้นมันจึงก่อวันนี้พอเข้าใจถูกแล้วที่เขาบอกว่าขันเป็นอิสระก็คือมันก็เลยจะเปลือกนั่นแหละเปลือกจะเปลือกเปลือกมก็ระวันแตกทํำลายให้และเปลือกทีนี้พอแตกทําลายแล้วก็ไม่มีแรงผลักดันอีกมันก็ไม่ไม่ก่อขันขึ้นไม่ดีเพราะฉะนั้นที่บอกว่าใครนี่เป็นกรรมเก่าก็ไม่มีกรรมเก่าแล้วก็จบแล้ว ไม่มีอะไรจะผลักดันให้เกิดการเกิดอีกหลายคนก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าเราคิดในทํานองที่ว่าไม่เกิดแล้วเราไปไหนอีกนะผมเลยอยากจะบอกว่ามองทุกอย่างให้กว้างกว่านั้นอีกกว้างกว่านั้นออกไปอีกยาวกว่านั้นออกไปอีกยาวจนกระทั่งทุกอย่างไม่เคยมีอะไรมาก่อนสมมติว่าจั ก, กรวาล น, นี้ไม่มีอะไรมาก่อน เอาแค่จักรวาลเดียวก็พอไม่ต้องมากจักรวาลเดียวนี้เมื่อก่อนไม่มีอะไรมาก่อนว่างๆอยู่ไม่มีอะไรอยู่ๆก็เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วก็ตุ้มต้าม ท, ที่เขาทาวิทยาศาสตร์เรียกว่า Big Bang ทีนี้เกิดดวงดาวเกิดโลกเกิดอะไรกำลังหมุนกันวนอย่างเนี่ยจนกระทั่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันจบตรงไหนคือโอ้โหมันใหญ่เหลือเกินเป็นเอกภพพหุภพอะไรของเขาเนี่นะ จะส่งยานออกไปกี่ดวงก็ยังหาที่หาขอบของจักรวาลไม่มีทางเจอมันไกลมากมันใหญ่มากถ้าเราเทียบเราจิ๋วจิวอยู่ในนั้นมันก็ไม่มีทางเจอเพราะฉะนั้นแสดงว่าแม้แต่โลกเองอเอาแค่โลกเนี่ยโลกพระอาทิตย์เนี่ยมันก็มาทีหลังมันเหมือนกับวันนี้มีคนบอกว่าเดี๋ยววนนันนึงโลกก็จะสลายออกไปอะสลายแล้วไปไหนอะ่ะคือไม่ได้ไปไหนมันไม่เคยมีมาก่อนคือมันไม่มีมาก่อนแล้วมันก็เกิดขึ้นมาตอนเนี้ย พอโลกเกิดขึ้นมาก็มีต้นไม้พืชเฟินแล้วก็ถึงจะมีมเราเนี่ยไอ้ที่เป็นมนุษย์เนี่ยมาที่หลังเขาอีกหลังเขาอีกนะแล้วก็สั้นมากๆแปดสิบปีเนี่ยสั้นจุดเดียวจิ๊ดเดียวแล้วก็หายไปแต่โอ้โหยิ่งใหญ่กเกินจิ๊ดเดียวนะ8ปดสิบปีเนี่ยมันจิ๊ดเดียวแต่แม่มันแล้วเราไปไหนไปไหนเคยมีสมัยไหนนะไม่เคยมี อมองกว้างๆเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวก็โลกก็แตกพระาทิตย์ก็สลายทุกอย่างวูก้ก็กลับไปนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็มีการบีบอัดกันเนื่อใยๆแต่ถ้าสลายความเห็นผิดแล้วไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะก็ก็ก็ความเห็นผิดอื่นก็ก็วนเวียนต่อไปนะวนเวียนต่อไปที่เป็นอิสระแล้วก็บินสระกันไปเพราะเกิดปัญญา เราเปิดปัญญาแล้วก็ไม่ก่อขันขึ้นมาอีกไม่มีกรรมเก่าจะก่อเกิดอะไรเลยมีธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติจริงๆเอาละวันนี้เราเชื่อมโยงมาจากคาว่าเป็นอยู่โดยชอบก็คืออรอยิยมรรคเมยงแปดเราจะมาดูเรื่องอริยมรรคเมยงแปดเพื่อจะมาดูรายละเอียดกันบ้างความจริงก็มีการพูดกันเยอะแต่ก็เอาละ มากน้อยก็เดี๋ยวเรามาดูกันผมก็จะอนุมานว่าทุกท่านจำได้หมดแล้วนะไม่อย่างนั้นการเดินทางก็จะช้ามากแล้วนี่ในคอสเข้มแล้วไม่ใช่คอสพื้นฐานใดๆแล้วพวกเราก็เป็นผู้ที่สนใจในการปฏิบัติกันอยู่แล้วนะฉันถือว่าปัญญาการตัสรู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออริยมรรคมีมองค์แปด ทุกคนต้องเข้าใจเป็นพื้นฐานนะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมโตการทำการงานชอบสัมมาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายาโมความภาพเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบนะแอริยมรรคมีงค์8 เรามาดูกันผ่านๆในข้อสรุปในแต่ละองค์มักองค์ที่หนึ่งนะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบหรือความเห็นนั้นถูกต้องนะเป็นอย่างไรความรู่นอะไรเป็นความรู้นในทุกในเหตุให้เกิดทุกในความดับทุกในความในผนท้ายเป็นความดับทุกนะสี่ข้อนี้เราคุ้นเคยกันดีก็คืออริยสัจสี่นั่นเอง หรือถ้าจะแปลเป็นบาลีก็ทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคแสดงว่าสมาธิฏิก็คือถ้าเราใส่สมาธิฏิเท่ากับได้เลยถูกไหมคือจะใช้อย่างเงี้ยแปลว่าไหวพดเขา้าใจยังนะสมาธิฏฐิเท่ากับอริยสัจสีอย่างเงี้ยได้เลยเพราะเราเห็นจ้องๆเลยชัดเจนมากสมาธิฏฐิเท่ากับรู้แจ้งอริยสัจสีอนะ แล้วเราก็อาจจะไปได้ยินอผมก็เท่ากับให้ดูอีกคํานึงเพราะเดี๋ยวท่านก็จะไปได้ยินคําอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกันในพระไตรปิฎกหรือว่าเวลาไปอ่านในคําแปลในพุทธพจน์ต่างๆพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้จ้าจะใช้คํานี้เหมือนกันพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิแต่ความจริงถ้าแปลกลับไปก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเอง ถ้าแปลเป็นไทยก็พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐินะก็คือเท่ากับตอบไปได้อีกนะสัมมาทิฏฐิเท่ากับอริยสัจสีเท่ากับพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิแล้วพอพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิก็สามารถเท่ากับได้อีกทีนึงพระเจ้าจะใช้คำว่าพระโสดาบันซึ่งพระโสดาบันก็ใช้แทนคำอื่นๆเช่นสกทาคามีพระนาคามีเหมือนกัน ในพระสูตรถ้าท่านไปอ่านดูจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีการบอกเลยพูดถึงพร้อมได้ทิฏฐิก็คือพระสกิทาคามีคือไม่เจาะจงลงไปเหมือนกับว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นตัวแทนของอริยบุคคลผู้หลุดพ้นในชั้นแรกนะถ้าชั้นสุดท้ายก็คือพระอาหารหันต์ไปเลยนะดังนั้นพระองค์หลายข้างส่วนใหญ่ก็จะพูดรวมๆไปเลยนะถ้าพูดถึงพระโสดาบันก็รวมสกิทาคามีพระนาคามีไปซะเลยนะไม่ต้องมันแยกแยกพูดอีก ยกเว้นว่าต้องการสาธยายในรายละเอียดของแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละกลุ่มว่ามีความแตกต่างกันยังไงแบบไหนอะไรนะอันนั้นก็ว่ากันไปเอาละเพราะฉะนั้นในสามาธิฏิเรารู้จักแค่เนี้ยเพียงพอส่วนในรายละเอียดว่าอ้าวแล้วมันคืออะไรเหรอทุกสมุทัยนิโรธมะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตอนอริยสัจสี่ทีก็ในเมื่อความหมายเดียวกันจะได้ไม่ต้องพูดสองครั้ง มรรคอง์ที่สองสัมมาสังกรปรความดำริชอบหรือความดำริอันถูกต้องอะไรคือดำริภาษาทั่วไปบางทีคนก็ไม่เคยเข้าใจนะดำริชอบเอาละผมเอาง่ายๆเลยนะเข้าใจแบบง่ายๆถ้าเห็นถูกจะคิดถูกคือถ้ามีทิฏฐิที่ถูกต้องเนี่ยจะคิดทำอะไร วางแผนที่จะใช้ชีวิตเนี่ยถูกวางแผนอะไรคิดอะไรถ้ารู้ว่าอะไรคือทุกอะไรคือเหตุให้เกิดทุกเนี่ยเขาจะไม่ทำเหตุแห่งทุกอีกเข้าใจไหมคนที่รู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกจะไม่ทำเหตุแห่งทุกอะไรคือเหตุแห่งทุกการํำริในการออกจากกามคือรู้แล้วว่ากามทั้งหลายเป็นเหตุให้เกิดทุก ถ้าเข้าไปจมอยู่ในกามไม่ว่าจะลหลงไหลในการกินการดูการฟังการลิ้มการสัมผัสพวกนี้ล้วนเป็นกามทั้งสิ้นทำให้จิตใจเร่าร้อนแล้วก็เกิดกามมาราคักขึ้นนั่งสมาธิก็อยากกินนั่นอยากดูนี่อยากดมนั่นอยากไปนั่นไปนี่อยากฟังโน่นเพราะฉะนั้นพวกนี้เข้ามารบกวนจิตทั้งนั้นเห็นแล้วว่าเป็นตัวนามาสิ่ทุกบุคคลผู้มีปัญญาแล้วเห็นเกิดสมาธิก็จะรู้แล้วว่า การพวกนี้ต้องคลากออกจะภาคได้ในระดับไหนก็ว่ากันไปไม่อยากจะลงรายละเอียดมากปัญหาเยอะนในยุคเนี้ยอะไรมันก็เป็นปัญหาหมดอ่ะแล้วทีนั่นที่เอที่เราเองนะใครจะละอะไรแค่ไหนก็ทำกันเองเอาที่สบายใจวันนี้ไม่เอาอะไรแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปแล้วไม่ไมทะเลาะกับใครแล้วนะเอาที่สบายใจละได้แค่ไหนก็แค่นั้น โอ้ยจานจะไปทำได้ไงแล้วเออทําได้แค่ไหนแค่นั้น่ะพวกนี้ไปแล้วไม่มีอะไรต้องเถียงกันอีกแล้วก็แค่ไหนก็แค่นั้นใครจะขนาดอ่ชีหนิงก็เขาเห็นเขาดํางดิออกจากกามอย่างนั้นเลยก็ออกเลยออกเลยก็ไว้หน่อยนะถ้าตึงเนื้อตึงเนื้อไอ้นั่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอานะซ้ายก็จะเอาขวาก็เอาเหยียบซ้ายก็จะเหยียบขวาด้วยนั้วก็ตกน้ําพอดีเทั้งนั้นก็เอาเถอะ ก็ดำลิในการออกจกากกามไว้ก็แล้วกันนะอย่าลหลงไหลได้พึ่งเ ง, ง, งินมากของหลงรแำแรงๆนะเอาแค่นี้ดําริในการไม่มุ่งร้ายในเมื่อคนเรารู้แล้วเนี่ยว่าเหตุแห่งทุกข์คือมุ่งร้ายคนอื่นก็ไม่มุ่งร้ายเบียดเบีย น, ยนไม่เอานะเมื่อรู้แล้วว่าการไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบีย น, ยนตรงนี้เกิดเป็นปัญญา เมื่อเกิดเป็นปัญญาที่ไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนใครก็จึงนำมาซึ่งการใช้ชีวิตหละคือคำว่าการใช้ชีวิตมีรายละเลอียดหนึ่งคือคำพูดการใช้ชีวิตของเราหนึ่งคือคำพูดเลยพระเจ้าบอกเลยว่าถ้ามีสัมมาวาจาเอาเอาเริ่มไม่มีก่อนดีกว่า ถ้าไม่มีสัมมาวาจาคือมิดมิดฉาวาจารพูดก็พูดไม่จริงพูดกันแนกการแหนส่อเสียดนะพูดให้คนแตกกันพูดออะไรอะ่ะเพ้อเจ้อคำหยาบอย่างเงี้ยพูดไปก็กระทบใจคนอื่นก็เกิดการทะเลาะ ก, กันก็เถียงกันก็ก็เกิดเป็นความทุกข์ใจในที่สุดเราทะเลาะ ก, กับแฟนพอทะเลาะ ก, กันดีกรีทะเลาะ ก, กันไปปะทะกันไปปนมามันก็เริ่มรุนแรงขึ้นพอรุนแรงขึ้น ท่านรู้สึกไม่เวลาถ้าไม่ต้องทําตัวเป็นนักปฏิบัติเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าเราเนี่ยคําพูดจะพยายามจะกั่นกรองให้มันกรีหัวใจให้มันเจ็บที่สุดมันจะกั่นกรองคําพูดเนี่ยเขาเคยทําผิดอะไรเนี่ยมันจะลื้อฟื้นเรื่องนั้นขึ้นมาขึ้นกรีดให้มันยิ่งกรีดมากจนกระทั่งเขาหยุดไปเนี่ย ม, มันสะใจนะ ที่แท้มันกรี้ยใจตัวเองไม่ไเกลี้ยวใจเขามันกรี้ยใจตัวเองมันลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปไอ้ตรงนี้แหละที่จะพาไปนรกละเพราะมันกรี้ยใจตัวเองนะแหมมันสะใจจริงๆด่ามันไปอย่างนี้มันเงียบเลยเอามาพูดให้เพื่อนฟังเลยนะโอ้โหเอยเธอรู้ไหมฉันเนี่ยซัดมาเนี่ยนั่เงียบเลยนี่มันรู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผนะเล็วสุดขั้วยังมีมาล่ามันคุยอีกนะ สัตว์นรกโผล่นมาเต็มรูปแบบแล้วยังมีหน้าไปเล่าให้เขาฟังเลยกูนี่มันสัตว์นรกสุดยอดมึงรู้เป่า น, นะทีหลังก็พูดอะ้รเขาอย่างงี้ไปเลยมันจะได้ไม่ต้องแปลนะคือให้มันรู้กันไปเลยนี่อะไรเป็นสัตว์นรกยังมีหน้าไปอวดไปอ้างไปคุยวากาขูาเมื่อวานนี้คุณสัตว์นรกนะจนแฟนนี่นะงอยเป็นหมาเห่าไปเลยอย่าเงี่ยดูดิคนเรานมันหลงได้ขนาดนี้มนะันหลงได้ขนาดนี้เอาละนะ เพราะฉะนั้นสัมมาวาจาเนี่ยอเ้เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดไม่เกิดอย่างนั้นต้องมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นก่อนเพราะของของเดิมมันมีชินอยู่เนี่ยมันมีความเคยคุ้นเคยชินอยู่เขาจะใครมาละ่ะสติอันไหนพอสติไม่เจอกิเลสก็ไม่เจอกันแล้วมาสติมาทําอะไรมาทําให้เปลี่ยนความเคยชินนี่แล้วสตินะ่ะ มาเนี่ยเป็นอุปกรณ์มาช่วยไม่ให้มันความเคยชินมันเดินยืดยาวออกไปได้นึกออกหรือยังล่ะทีเนี้ยว่าสติเอาไม่เจอกับกิเลสแล้วมาช่วยยังไงช่วยไม่ให้ความเคยชินมันเดินคือมันเคยเดินจาก A ไปบได้เลยอะ่ะจาก A ไปบเลยพอเริ่มต้นด่าก็พึบถึงบเลยทีนี้พอเอกาลังจะไปบมันเสียบตรงกลางในสติอะ่ะปกักถึงว่าจะเอาไม่หยูด ถึงจะต้านไม่อยู่บ้างแต่มันเริ่มโดนเสียบเข้าไปบ้างอาจารย์รู้ตัวแล้วเนี่ยแต่มันอยู่อดไม่ได้ไอ้ดีก็ยังดีดีกว่าไอ้ a อถึงบเลยไม่รู้ตัวเลยเอาด่าก็ดีด้วยเหรออาจารย์ดีตรงที่พอจะรู้สึกตัวบ้างนะไม่ได้ดีที่ด่านะแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะจะเย็นๆคือมันก็ต้องเสียบมันเข้าไปเรื่อยล่ะเสียบมันเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งมันแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นกาแพงมันก็ต้านน้าอยู่ เมื่อก่อมันต้าน้ําไม่อยู่เหมือนน้าไหลผ่าบาลงมาเนี่ยเขื่อนมันเล็กมันต้านไม่อยู่ก็พังเลยตีก็ธรรมดามก็พังนะทีนี้เขื่อนมันใหญ่ขึ้ น, นเรื่อยๆจากการมาฝึกมากฝึกมากฝึกมาทุกวนันทุกวนันแล้วก็กลับบ้านกระทําทุกวนันทุกวนันอยู่กับสติสัมปชัญญะทุกวนันทุกวนันเข้าไปสวดมนต์ฟังธรรมชีวิตไม่ได้ไหลไปทางอกุศลแต่ชีวิตมาตั้งมั่นอยู่ในฝั่งกุศลบ่อยๆกําลังมันก็มีขึ้น มันก็รู้สึกตัวขึ้นมาเองรู้สึกตัวขึ้นมาเองไม่ต้องมาสร้างความรู้สึกตัวไอ้สร้างความรู้สึกตัวจะไปสร้างอย่างไงนะของอย่างนี้ทีเนี้ยความรู้สึกตัวมันจะมาเองที่ผมใช้คําว่ามันเข้าเลือดเข้าเนื้อเข้ากระดูกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันสร้างความเคยคุ้นใหม่ทําไมจิตใจมันคุ้นได้เราไปคุ้นอยู่ฝั่งนี้นี่มันก็เลยลําบากเหมือนนี่ชาวต่างชาติผมโอ้โห oh, นี่ก็ยากกระเด็ยากกระเด็ก็เราเล่นปกักหลักอยู่ฝั่งนี้นะ่ะ เราลองพยายามฝึกมาจนมาอยู this, illing, ่ฝั่งนี้ด็เราจะไม่ใช้คําว่ายากเลยคุณครสบายนะไม่ต้องคนด่ามาก็เขาไม่เข้าใจเขาก็ด่าด็กที่เขาคนโกรธเขากด่าไปเดือดร้อนก็ก็ทําไมเขาด่าแล้วจะให้ไปทําอะไรเขาบอกเขาด่ากันด่าเสร็จแล้วออืไปทําอะไรนึกไม่ออกวาจะให้ไปทําอะไรเขา ให้กัขอบคุณหรือจะให้ไปโกรธหรอโกรธทาไมอ่ะเราก็ด่าเสร็จแล้วว่าเสร็จแล้วแลวด่าไม่เลิกนะไม่เลิกได้ไงไม่เลิกก็ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันดด่าไม่เลิกไม่หยุดด่าไม่เลิกถ้าด่าไม่เลิกก็ให้มันด่าไปเราก็ไปนอนอไปเดือดร้อนอะไระพูดเพ้อเจ้อพูดคําหยาบเอาละนะ ทีนี้พอมีสัมมาสังกปดรินในความไม่มุ่งร้ายวาจาก็ไม่มุ่งร้ายวาจาก็ไม่เบียดเบียนะเพราะมีปัญญาดักเอาไว้ต้นทางต้นทางนะต้นทางเป็นเหตุมาดูมรรคองค์ที่สี่สัมมาตะันโตการทำการงานชอบนะการทำการงานชอบนะเจตนาเป็นเครื่องเวียนจากการฆ่าจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ จากการประพฤติในการมก็คือศีลข้อที่เราคุ้นคุ้นกันดีหนึ่งสองสามถูกไหมแต่ถ้าบอกว่าศีลข้อหนึ่งสองสามเป็นมรคไม่ใช่ถ้ามรคต้องมีองค์แปดนะอย่ามาแยกว่าศีลข้อหนึ่งสองสามเป็นมรคไม่เกี่ยวมรคแปดองค์รวมกันเป็นหนึ่งเข้าใจไหมไม่ได้แยกว่าศีลข้อหนึ่งสองสามเป็นมรคมรคคือศีลข้อหนึ่งสองสามไม่ใช่พูดผิด เข้าใจไว้ด้วยไม่มีมรดดออกไปคนเดียวถ้ามรดดออกไปคนเดียวทํางานไม่ได้ทํางานไม่ได้ถ้าถือศีนก็อังคัมถือศีนห้าดีกว่าถือถือศีนห้าก็ได้แต่ศีนห้านก็เว้นไปเถอะนะไม่เด็ดเว้นจากปัญญาศีนก็ไม่เป็นกําลังต่อไปให้ส่วนของจิตสิกย์ขาเมื่อจิตศิกย์ขาทํางานได้ดีพอถึงจุดแล้วก็ไม่เกิดการชําระกลับมาที่สมาทิฏฐิถ้าเอาศีนเดียว ศีลเดียเด่ยวๆมีมาก่อนที่พระเจ้าตรัสรู้อีกะศีลห้ามีมาก่อนพระเจ้าตรัสรู้แต่ไม่มีคนบรรลุธรรมเป็นผ้าอาหารคนบรรลุธรรมผ้าอาหารได้เพราะพระเจ้าตรัสรูม้มรรคขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับอเอาศีลข้อนั้นข้อนี้มาเติมในมรรคไม่มีศีลนั้นมีเป็นของคู่โลกอยู่แล้วศาสนาอื่นเขาก็มีศาสนาอื่นก็ ม, กมีของคู่โลก ในยุคที่มนุษย์ไม่ไม่ไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนกันไม่อยากจะทํำร้ายทําลายกันเนี่ยศีลก็เกิดขึ้นมาในจิตในใจอยู่แล้วแต่ไปทางอื่นไม่เป็นก็แ้่แก่เป็นคนดีพอเป็นคนดีแล้วทำไมไม่พ้นทุกข์อ่ะก็วันนี้ก็มีคนดีแย่ๆคนทุกข์ไหมล่ะพวกเราก็เป็นคนดีกันทุกคนคนแย่ๆมากมายก็ได้ดังพินศีลห้ากันอยู่แล้วแล้วเขาพ้นทุกข์ไหมล่ะเราก็รู้อยู่แล้วทุกข์ในใจยังมีไหมล่ะจากการพัดภากจากคนที่รักเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังทุกข์กันอยู่ทั้งนั้นะ แศีลเนี่ยช่วยไม่ให้เกิดวิปติสารคือวิปติสารคือความเดือดเนื้อร้อนใจจากการทําผิดศีลต้อเข้าใจด้วยวิปัิสารคือความเดือดเนื้อร้อนใจจากการทําผิดศีลคนโกงคนกินจะบ้านเมืองจะบริษัทต่อให้ในครอบครัวสามีโกงภรรยาภรรยาโกงสามีมันก็เต็มไปความความเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยเขาแค่รู้สึกว่าจะจับเราหรือว่าเขาแค่มองเราเนี่ยเราก็ใจไม่ดีแล้วหรือว่าเขารู้ผม อะไรถ้าเราไปแอบทําผิดมีคนนั้นคนนี้แค่เขาอยู่เฉยๆนิ่งๆนงเนี่ยเราก็กังวลกระวายวเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกวิปัสสนรคือเขาเรียกวัวสัลังหวะพวกวิปัสสนาเนี่ยวัวสัลังหวะเพราะฉะนั้นมันจะเต็มไปด้วยความเดือดเนื้อร้อนใจมันจะมีอะไรมาสกิดให้หัวใจเนี่ยมาหล่นลงไปอยู่ข้างล่างอยู่เรื่อยๆจิตมันจะตกไปต่ํากว่ามนุษย์อยู่บ่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อจิตลงไปต่ํากว่ามนุษย์อยู่บ่อยๆเนี่ย เมื่อสิ้นชีพลงไปเนะี่ยแล้วที่ไหนนะที่ไปบ่อยก็ที่เขาเรียกไปที่ชอบที่ชอบมันถูกอยู่แล้วก็ชอบไปที่ไหนเลยมันไม่ใช่ชอบไปแบบนั้นนะไปที่ไหนอยู่เรื่อยๆมนะันไปที่นั่นนะจะสังเกตว่าเราเป็นคนยังไงนะถ้ายังสังเกตได้นะคือตอนเราเหม่อเราเป็นยังไงหรือถ้าจะสังเกตคนอื่นก็ได้แต่มันก็ไม่น่าสังเกตคนอื่นหรอกเดี๋ยวเกิดตัวตนขึ้นอีก เขาเป็นว่าถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเรานั่งเมาหรื อ, อว่าเสร็จจากอะไรผู้ร่างเนี่ยนั่งคอตกแล้วก็คิดแต่เรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยนั่งหลักฐานจิตเราอยู่ตรงนั้นนั่งทุกข์คอตกอคือหาสุขไม่เจอขนาดไม่ต้องคิดอะไรที่มันเอาเหมือนกับเราปล่อยอะไรสักอย่าง ให้ลอยตามธรรมชาติมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้าคนนะลองสังเกต ด, ดูบางคนนะไม่มีเลยนะที่จะต่ากว่าคือไม่มีเหม่อเนี่ยริ่ ง, งโดยเฉพาะคนภาวนาเนี่ยไม่มีเม่อหลุดลงไปไม่มียิ่งภาวนาจนเข้าเนื้อแล้วเนี่ยคำว่าเผลอเหม่อไม่มีไม่มีในชีวิต ออกไปจากพจนานุกรมได้เลยไม่มีนั่งเหม่อลอยยังไงวะเนี่ยอย่างเง้ยจะเป็นอัลไซเมอร์หรอือเมื่อลออาจารย์อยู่ที่ขุดทําอะไรอะนั่งเมื่อไอ้บ้าเว้ยอยู่มานั่งสอนเลยสอนตัวเองเลยเบื้องนะถ่าเป็นอย่างเงี้ยมานั่งสอนใครนั่งเหมออ อย่างเนี้ยใครเป็นยังไงก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะหรือว่าเราก็อาจจะเคยเห็นคนใกล้ชิดเผลอไม่ได้เป็นจะต้องหงุดหงิดจกจาจูจ า, จจาทั้งวันทำไปยังไงอะไรพวกนี้สัตว์โลกทั้งวัดนันจะให้ไปที่ไหนตายอะ่ะเคยไม่จีมีความสุขแล้วอยู่ให้คนใกล้ๆก็มีความสุขสังเกตไหมว่าเราบางคนเวลาเจอเราไม่อยากอยู่ใกล้เลยให้ตาย มันเป็นหญิงทำไมต้องบ่นทุกเรื่องวะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นผมพูดพูดไปเนี่ยให้คนที่กำลังฟังซีดีเนี่ยกูดีกว่าจานีพูดทั้งวันด่ากูคนเดียว <c oughs> คนมีทั้เยอะคนี่หอทำแปดสิบไม่ดา่าด่ามาถึงที่บ้านเลยดูปากแกยาวออกมาที่ลำโพงบ้านกนะูยัะนนั่นพูว่าเป็นนั่นอ่ะสัมมามันโตนะ ยังก็เตือนว่าศีลก็สามสี่ 3, ข้อศีลห้าข้อจะบอกว่าเป็นมรคมีองแปดนะต้องระวังหน่อยนะเราชาวพุทธศึกษาปฏิบัติมาขนาดนี้แล้วมรคมีองแปดคําเนี่ยชัดเจนที่สุดนะมรคต้องมีองแปดมารวมกันเป็นหนึ่งจำไว้เลยคําว่ามรคมีองแปดความหมายก็คือทั้งแปดองค์เนี่ยคือหนึ่งเดียวที่ท่านบอกว่าเป็นทางสายเอกเนี่ย คือทางเนี่ยมีสายเดียวแล้วบนทางสายเดียวนั้นมีมัดมีองแปดเข้ามาอยู่รวมกันไม่ใช่ท่านพุทธทาสึงได้ตีมากเลยใครพูดว่ามัดแปดเนี่ยท่านบอกว่ามักง่ายไม่ใช่มัดแปดรนั้นจำไว้เลยนะชาวพุทธเข้ามาถึงขนาดนี้อย่าพูดคำว่ามัดแปดนะเพราะว่าถ้ามัดแปดเนี่ยคือมักเนี่ยมัดแปลว่าทางเดินกลายเป็นทางเดินแปดสายแยกกันเลยนะ ไม่มีนะทางเดินมีสายเดียวซึ่งในสายเดียวนั้นมรรคทั้งแดองค์เข้ามาอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเพราะสุดท้ายของการแยกออกมาเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมารวมกันเป็นหนึ่งเรียกว่ามรรคสมังคีนะเหมือนรูปนามเนี่ยพระเจ้าแยกออกมาหเห็นเป็นขันห้าแต่มันไม่ได้มีขันห้าล็อกมันเป็นชีวิตที่รวมกันของนามมารูปนี้นะ แต่ไม่แยกออกมาจะไม่เห็นเมื่อแยกออกมาเข้าใจแล้วก็จะกลับมารวมกันเรื่องมีแค่นี้แหละในการเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่แยกจะไม่เห็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นว่านี่คือตัวตนของเรามันจะไม่ถูกชาระเพราะฉะนั้นแยก อ, อกก่อนแล้ววุบกลับมาอริยรมรรคในอง์แปดเหมือนกันแยกออกไหเห็นว่าแปดมีอะไร แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปสู่ไตรสิกขาคือขยับเข้ามากลุ่มของการทํางานไตรสิกขาคือการศึกษาทั้ง3ส่วนมีจิตสิกมีปัญญาสิกขาศีลสิกขาแล้วก็จิตสิกขาก็จะเข้ามาสู่ส่วนๆกันของอริยมรรคมีองค์แปนี่แหละนะแล้วเดี๋ยวรวมกันอีกทีหนึ่งศีลและสิกขากจะหายไปเมื่อศีลบริบูรณ์ดีแล้วก็จะเหลือสอกลุ่มคือปัญญากับจิตนะปัญญากับจิตหรือสมาธิสิกขานั่นแหละ สองกลุ่มนี้ปัญญาศิกขาก็คือวิปัสสนากรรมฐานจิตศิกขาคือสมถกรรมฐานพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสองส่วนนี้แยกกันไม่ได้แล้วก็จะกลับมารวมกันเป็นหนึ่งแยกกันไม่ได้ท่านนั่งสมาธิหนึ่งบาลังอ่ะพีม่มีที่จะบอกว่าเดี๋ยวบาลังนี้จะทําสมถาย่างเดียว <c oughs> น ะ, ะแต่ก็มีมีคนที่ทําสมถาย่างเดียวก็มีแต่ว่าเมื่อถึงวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย ไม่มีวิปัสสนากรรมฐานโดดเดี่ยววิปัสสนากรรมฐานต้องมีสมถกรรมฐานอยู่ด้วยขณะที่ท่านรู้ลมหายใจสามสี่ทีแรกเนี่ยเป็นสมถานแน่นอนเมื <ME> ER ่อจิตตั้งมั่นปั๊บกลับไปเห็นสภาพการเกิดดับของอสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีกายเวทนาจิตธรรมก็ดีอะไรก็ดีนะท่านจะเห็นอะไรมิติไหนก็แล้วแต่ก็เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานเดี๋ยวกลับกลับมารู้ลมขณะที่รู้ลมกําลัง เพ่งพุ่งเพ่งอยู่ที่การรู้ลมก็เกิดเป็นสมถะเมื่อพุ่งเพ่งอยู่ที่สมถะกรรมฐานกําลังของจิตก็จะสูงขึ้นเมื่อกําลังสูงของจิตสูงขึ้นสูงขึ้นชานสูงขึ้นความตั้งมั่นสูงขึ้นก็มองกลับไปที่วิปัสสนากรรมฐานได้อย่างชัดเจนขึ้นน้ําก็ยิ่งใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นเพราะฉะนั้นสองตัวนี้จะรวมกําลังกันเป็นหนึ่งร่วมกันทางานนะร่วมกันทางานแล้วก็วนกลับวนกลับเรียกว่าอ่าชําระจนข่ารอบนะชําระจนขาวรอบ ส่งผลไปเป็นสมาธิฏิสมาธิฏิก็กลับมาที่จิตสิกขาต่อจิตสิกขาก็ส่งผลไปเป็นปัญญาสิกขาแล้วก็วนกลับมาที่จิตสิกขาจนกระทั่งเห็นจนแจ่มแจ้งว่านี่ไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวตนของเราแล้วก็สลัดขึ้นสู่ธรรมชาติไปคืนสู่ธรรมชาติเป็นอันจบกิจจบหน้าที่ในพุทธศาสนานี่แหละก็คือการทํางานของวิปัสสนากรรมฐานไตรละไตรสิกขาพึ่งถึงมรรคองค์ที่สี่เลย โดดข้ามไปจนจบแล้วสัมมาอาชีโวนะอันนี้การเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะภิกษุในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแน่นอนที่สุดผมก็ยกตัวอย่างว่าเป็นเหมือนถนนบางนาตราดนะคืจะให้ผมยกเส้นอื่นผมก็ดูกไม่ออกนะเพราะผมบ้านผมอยู่แถวนั้นยกเส้นอื่นแล้วก็ผิดทางอีกคือ หลังนาตราาตอดเนี่ยท่านนึกเอาเองแล้วท่นแถวบ้านท่านอะ่ะก็จะมีเส้นที่วิ่งขึ้นทางด่วนแล้วก็มีเส้นคู่ขนานด้วยข้างๆ ข, ข, ขอบขอบที่เขาเรียกเส้นคู่ขนานนั่นแหละเพราะฉะนั้นภิกษุในธรรมวินัยของผู้เจ้าเนี่ยเหมือนวิ่งอยู่ในเส้นในที่ไม่มีรถจอแจไม่มีซอยเลี้ยวเข้าบ้านไม่มีซอยเลี้ยวออกจากบ้านไม่มีปั๊มน้ํามันวิ่งรืดเข้าทางด่วนเลยนะยังไงก็เร็วกว่าแต่ถ้าจะมีคนบอกว่า วิ่งคู่ขนานก็ถึงเข้าใจไม่มีคนเถียงด้วยถึงทําไมไม่ถึงก็เดี๋ยวก็ต้องเบรกละพอมีรถออกจากซอ ย, เ ด, ยเดี๋ยวก็ะมีคนรถตัดหน้าเข้าปั๊มน้ํามันอาจจะติดไฟแดงเดี๋ยวมีรถขึ้นทางด่วนอาจจะติดไฟแดงไอ้ข้างบนก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นเข้าใจแค่เนี้ยพอละไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าเป็นคาาว่าถึงไม่ถึงเป็นพลาดถึงอย่างเดียวหรออะไรไม่ต้องเถียงกันแล้วเพระของอยู่ที่จิต ถ้าจะเอาแค่นี้นะของอที่จิตแต่ผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้ทุกคนก็ติดนึกติดนับกันอยู่เนี่ยนะด้วยความยึดมั่นถือมั่นจากของเดิมมาก่อนพูดกั น, นง่ายๆแล้วก็มีความเคยชินเคยคุ้นเมื่อเช้าก็ฟังมาแล้วในการจะออกจากความเคยชินเคยคุ้นเนี่ยสมมุติคนติดบุหรี่เนี่ยภาพจะได้เห็นง่ายหน่อยแล้วอยู่ในสังคมของจะเลิกบุหรี่อ่ะหรือว่าการเลิกบุหรี่ได้ก็คือการเป็นอิสระ การเป็นอิสระจากสิ่งที่เคยยึดติดมาก่อนการไปอยู่ในโรงบำบัดเลยเนี่ยที่ไม่มีบุหรี่มีแต่คนให้กําลังใจมีแต่ข้อวักที่ทําให้พ้นไปเนี่ยกับอยู่กับคนสูบบุหรี่แล้วเขาก็นั่งคุยกันเรื่องสรรพคุณของบุหรี่มีการโฆษณาบุหรี่มีคนยื่นให้สูบผมถามว่าเลิกได้ไหมก็ต้องมีคนบอกว่าเลิกได้ อ่ะสมมติผมเคยสูบบุหรี่ผมบอกเลิกได้ผมก็เคยเลิกอ่ะเลิกได้แต่ถามว่าอะไรมันง่ายกว่ากันเล่าแค่นั้นแหละคือจะมาเถียงกันให้เหนื่อยทําไมก็ถ้าจะเลิกอะไรงกเลิกง่ากว่ากักกกนแต่ถ้าจะอยู่ตรงนี้จะเลิกตรงนี้ก็เอาไปเลยจะไปว่าอะไรพระเจ้าถึงได้ตรัสเอาไว้เนี่ยในคีรีมรันทสูตรถ้าปรารถนาพระนิพพานให้โกนหัวออกบวชไปเลยถ้าปรารถนาพระนิพพานนะแต่ถ้าจะเอากันแบบ ขอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอพระองก็ไม่ได้ว่าอะไรพระองค์ก็บอกแล้วว่าคนที่ข้ามฝั่งไปแล้วพ่อแค่ตะโกนบอกว่าฝั่งนี้ดียังไงมาได้ยังไงอะไรยังไงส่วนใครจะมาไม่มาเรื่องของเขานะเราจะวหวยน้ำกลับไปลากเขามาเหรอก็ไม่มีใครทำเพราะฉะนั้นก็บอกเขาแค่นั้นเขาไม่มาก็เรื่องของเขานะคุยไปไปเราก็ไม่ว่าอะไรใครว่าอะไร พระเจาก็เคยอุปมาเหมือนกับพระองค์อยู่บนมีหลุมถ่านเพลิงขนาดใหญ่ที่สัตว์โลกกองกันอยู่เต็มอยู่ในหลุมถ่านเพลิงแล้วก็กระเด้งเร า, านึกภาพว่าเราเดินยืนอยู่แล้วก็มีหลุมถ่านถ่านแดงๆระเหยแล้วก็ร้อนกระเด้งกระเด้งกระเด้งเงินสัตว์โลกก็กระเด้งกระเด้งโอ้ยร้อนพอจับนี่โอ้ยร้อนไปหมดเลยนะร้อนไปหมดพระองค์ก็บอกว่าปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาวิธีปีนขึ้นมาเนี่ปีนอย่างนี้ท่านก็ท่านก็บอกบอกแล้วก็ให้กําลังใจเราคือ เราก็ปีนปี น, ป, นปีนกนอย่างนี้แต่เรากำลังปีนกันอยู่เนี่ยนะนึกภาพเนี่ยที่ท่านตที่ท่านยกตัวอย่างแต่มีบางคนบอกว่าไม่ไหวอะฉันปีนไม่ไหวอ่ะแบบที่ฉันปีนไม่ไหวหรอกนะฉันพอแล้วล่ะเราหยุดฟังคํานี้ใหม่จะให้ท่านบอกว่าอะไรอืมคนที่เดือดร้อนคือใครแค่นั้นดูให้ออก ว่าที่บอกว่าไม่ไหวแล้วฉ่านพอแล้วท่านกลับไปเสพของท่านดีกว่าท่านอาจจะดูไม่ออกนะเมื่อไหร่ท่านกลับไปก็อย่างนั้นนะแล้วก็จะเริ่มวนอย่าลืมนะไม่ได้เกิดมาอย่างนี้ทุกชาตินะนางลูกหมูเห็นแล้วนะเดี๋ยวก็เทวดาเดี๋ยวก็เกิดเป็นธิดาเดี๋ยวก็ลูกหมูลูกไก่อะไรนะั้น วนไปเวียนมาอย่างน้พระนนท์โอ้โหสังสารวัตรที่น่ากลัวจริงๆมันน่ากลัวจริงๆนะอย่างที่ผมบอกว่าแล้วมันน่ากลัวกว่าที่เราคิดก็คือว่าเมื่อลงไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่จะไปไหนแม้แต่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเรายังว่าเราดีเลยที่เป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่รู้สึกเนี่ยเรายังดีเลยเราเนี่ยดีอยู่สบายกว่าพระอาราหันต์ดิพระอาราหารันต์ที่อยู่ลําบากดิแล้วก็ต้องกลับวัด วัดก็ไม่มีอะไรกุติก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยชี่หนิงนี่มานอนเนี่ยบายเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่กดแล้วเดี๋ยวก็จะกลับเข้าปาไปอยู่กดนู่นโอ้พวกเราสบายจริงนะอยู่ไปเยอะผมว่าชี้ก็อยู่มาเยอะแล้วลวนะขออนุญาตที่เอ่ยถึงแล้วนะไหนๆก็เอ่ยแล้ สามีเป็นพลอากาศเอกขอแบงค์ชื่อแพทย์องค์กรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลูกๆสมบูรณ์แบบครอบครัวเต็มไปได้วยความรักความอบอุ่นพอแล้ว นำมาซึ่งทุกข์แค่นี้เราดีกว่าเธอหรือยังแค่ทางโลกเนี่ยทีนี้สัมมาอาชีวในส่วนของอุบาสกอุบาสิกาพระเจ้าก็มีตรัสเอาไว้เพราะคนชอบ ลากไปถึงนะก็ไม่เป็นไรนะแล้วสัมมาอาชีพที่พูดถึงในอุบาสกอุบาสิกาะท่านาก็กล่าวไว้ข้อที่ไม่ควรกระทำห้าข้อนะก็อย่าไปทําอาชีพพวกนี้แล้วก็อย่ามาถามผมเลยว่าแล้วทําไมคนทํำก็ยังรวยเัาขายได้ก็รวยดิมันจะไปเกี่ยวอะไรล่ะก็ทั้งขายได้ก็รวยแล้วทําไมคนทําดีนี่คือเจ๊งเขาก็ขายไม่ได้มันก็เจ๊งนะสิมันจะไปแตกอะไรเนาะ ร ว, วยแล้วทําไมอ่ะรวยแลวยิ่งหลงเลยยิ่งหลงก็ยิ่งมีตัวตนก็ยิ่งหลงทํำหนักต้นเข้าไปใหญ่นี่มันจะฟื้นยังไงอ่ะชาตินี้มีอายุอยู่เท่าไหร่กี่สิบปีเองแล้วก็ตายไปกับความหลงได้เงินมาถ้าทาอะไรอ่ะถ้าอามาทำอะไรเอามากินกินดีอยู่ดีมื้อที่แล้วหมดไปแล้วนะ่ะสมมติเรากินดีอยู่ดีไปกินพัฒนาหรู ด, ด้วยแล้วอยู่ตรงไหนละ่ะไม่มีเห็นไหมมันหายวับป๊อปวับไปทีละขณะดนะอ่ะกินดีอยู่ดีอ่ะ มื้อที่แล้วให้กินหูฉลามมื้อนี้กินพะกระโดดกาแพงด้วยนะมื้อหน้ากินเป็ดปักกิง่งฮองเต้เอะ่ะแล้วยังไงแล้วมันก็หายไปหายไปหายไปแล้วไอตอนนอนกําลังจะตายนะ่ยกินอะไรจะกินอะไรน้ําเกลือเหรอน้ําเกลือมาจากไอซ์แลนด์โอหลงจนตาย เอาละทีนี้มาดูสัมมาวยายโมนะมรรคองค์ที่หกความภาคเพียรชอบความภาคเพียรชอบเดี๋ยวผมสรุปที่ตอนท้ายเลยแล้วกัน<ม>ก็แต่ละองค์แต่ละข้อแต่ละข้อก็ไปสรุปอีกที่ตอนท้ายสัมมาวยาโมก็คือเพื่อจะยังอักุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อจะละอักกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ความไม่ละเลือนความงดงามยิ่งขึ้นความไพ่บุญความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลกรรมแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสัมมาวยายโมก็มีแค่นี้ยคือสาระสําคัญก็คือละอกุนสนคือในฝั่งของอกุนสนละทาไมต้องละอักุนสน เพราะว่าธรรมชาติของความเคยชินเคยคุ้นเออะมันจะเกิดอกุศลในใจอยู่เลยไอบาปชั่วที่ทําทางกายวาจาเนี่ยถูกล็อกเอาไว้ด้วยศีลถูกล็อกเอาไว้ด้วยศีรสิขาไปแล้วมรรคองค์ที่สามสี่ห้านั่นนะศีลสิกขาเนี่ยจัดการกายกับวาจาไปแล้วทีนี้เราก็รู้แล้วว่ากายกับวาจาต่อให้บริบูรณ์แค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ใจสาระสําคัญมันอยู่ที่ใจทีนี้ผู้ชายก็เริ่มขบวดเข้ามาที่ใจอะ่ะนะ เริ่มจากเอาอกุศลออกไปจากใจแล้วก็เติมกุศลเข้าไปแทนเห็นหลักการไหมเอาอกุศลออกจากใจของคนแล้วเติมกุศลเข้ามาทีนี้ไอ้ของเดิมที่เราเรียกจิตไร้สํานึกที่เอาข้อมูลเข้าไปไม่มีการสกรีนทั้งบวกและลบที่ไหลเข้าไปเริ่มเอาอกุศลออกเอาแต่กุศลใส่นะ ตั้งแต่การที่เนคขมมะออกจากกามไอ้พวกกามทั้งหลายก็เริ่มเข้ามาได้น้อยลงการทําบาปทําชั่วทั้งวาจาและกายก็เริ่มไหลเข้ามาน้อยลงทีนี้ในส่วนของกุศลและอกุศลก็เป็นระดับของจิตแล้วก็เอาเข้าแต่กุศลแล้วก็พยายามละอกุศลนะถ้าเกิดขึ้นมาในใจปั๊บก็ละออกไปแล้วก็เติมกุศลอ่ะรู้ลมกันนะ จะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้เห็นผลมาจากเหตุก็ได้เห็นเป็นอริยสัจยังไงก็ได้ขอให้เติมกุศลเข้าไปแทนก่อนให้มากเข้ามากเข้าทีนี้ถ้าเราจะบอกว่าขันห้านี้หรือกายใจนี้ก็จะเริ่มเป็นกุศลหากจะจากห้าสิบห้าสิบเป็นหกสิบี่สิบเป็นเจ็ดิบสาสิบถูกไหมล่ะก็ทั้งละออกทั้งเติมเข้าทั้งละออกทั้งเติมเข้าเพราะฉะนั้น กุศลก็จะเริ่มทางกับอกุศลขึ้นไปเรื่อยๆเจ็ดสิบสามสิบแปดสิบยี่สิบเก้าสิบสิบโอ้โหก็ถึงระดับนี้นะไม่ไม่ต้องถึงระดับนี้เอาแค่เจ็ดสิสามสิบเนี่ยนะจิตตั้งมั่นละรับรองได้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรเมื่อปราศจากกามอ่ะเดี๋ยวจะไปจูมเดวมัคของที่แปดปราศจากอากุศลจิตจะเข้าสู่ปฐมฌานนี่คือความเป็นอัตโนมัติของจิตเข้าใจไหม พยัญวันนี้ทําไมอาจารย์นั่งสมาธิทำมินดวทั้งไม่ได้แล้วก็ทําอย่างที่อาจารย์บอกทุกอย่างอ่าละลองฟังพระเจ้าถ้าจิตไม่ปราศจากกามไม่ปราศจากอากุศลนะนิวรณจะเข้ารบ ก, กวนเมื่อนิวรณเข้ารบ ก, กวนความตั้งมั่นของจิตจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามาักเนี่ยช่วยกันทํางานมาตลอดตั้งแต่องค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์งงที่สองก็เริ่มตัดกําลังของอกุศลละ เริ่มตัดกําลังของกามแล้วพอมาถึงมรรคองที่สามสี่ห้าเนี่ยบาปชั่วที่ทำทางกายวาจาหมดแล้วอ่อนกําลังแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ยอากุศลเหลือให้ละนิดเดียวและ้ะไม่มากหรอกอกุศลเหลือให้ละไม่มากกุศลก็เติมเข้าไปเรื่อยเติมเข้าไปเรื่อยเอาล่ะนะเข้าใจแล้วนะมาถึงมรรคอง์ที่เจ็ดสัมมาสติทีนี้สัมมาสติเนี่ยมีใจความสําคัญอยู่ก็คือพระเจ้าก็บอกว่าอะ จ่อเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียนเครื่องเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะสาระสําคัญก็คือให้เข้ามาเห็นกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมารมณนะ์ในสติปัฏฐานสี่นี่แหละพระั้สติปัฏฐานสี่ก็คือสัมมาสติมรรคองค์ที่เจ็ดนั่นเองนะมรรคองค์ที่เจ็ดก็คืออยู่ในกลุ่มของจิตสิกขา ในกลุ่มของจิตสิกขาคือเรื่องของจิตทั้งหมดเนี่ยหนึ่งก็คือสัมมาว ย, ยายโมนะมีความเพียรที่จะลักแล้วก็จเจริญเข้าไปในจิตนะเอากอกุศลออกจเจริญกุศลไว้จากนั้นเข้ามาสังเกตกายเวทนาจิตธรรมนะให้เห็นว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายเมื่อเห็นกายในกายคืออะไรล่ะก็คือเห็นแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่ที่เราบอกว่าเป็นคนเราเขาหรอกไม่ใช่เราหรอกมันก็ทํางานของมันเนี่ย ตอนฉนั้นพุทธเจ้าก็ให้วิธีดูไว้หกวิธีอ่หกวิธีนหกวิธีนี้จะทําให้คนทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าผู้คนเนี่ยต่อให้มีจริตแตกต่างกันยังไงเนี่ยหกวิธีเนี้ยจะทําให้ก็รู้แจ้งขึ้นมาได้รู้แจ้งขึ้นมาได้ว่ากายเนี่ยไม่ใช่เราแล้วซึ่งพงก็บอกว่าต่อให้ปฏิภาชกนอกาศาสนาเนี่ยเขาก็รู้ได้เดีย๋ยวว่า ชาวพุทธเลยคนนอกศาสนาก็รู้ได้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราอายุมันแค่แปสิบปีมันจะเป็นเราได้ไงเราไม่อยากให้ตายทางตายล่ะก็เห็นเห็นอยู่แล้วมันไม่ใช่เรารู้ทันอิเดยาบทรู้ลมหายใจอานาปนสตินะมีสัมปชัญญะมีปฏิกูลมนานสิการพิจารณาส่วนประกอบความไม่สะอาดการเข้ามาประชุมรวมกันธาตุมนานสิการพิจารณาร่างกายด้วยความ สักว่าเป็นธาตุนะนวสีพยยสิจารณาซากศพนะมันจะเบื่อหน่ายครความยึดถือในร่างกายนะไม่ว่าวิธีไหนก็ตามถ้าใครทําให้มากทําให้ต่อเนื่องมันจะเกิดความเบื่อหน่ายใครความยึดถือสุดท้ายก็จะวางลงแล้วก็เห็นความจริงนิวรละสั ก, กยายะิฐิี่คือความเห็นถิดนะในเบื้องต้นก็คือกายในเบื้องต่อไปก็คือใจด้วยทีนี้ใจจะละตรงไหนใจไปละที่เวทนาจิตธรรมนั่นแหละนะ ก็บอกแล้วว่าเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็คือถ้าเราพูดกัน ง, ง่ายๆว่าเราเข้ามาสังเกตกายกับใจเทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมก็อยู่ในส่วนของใจที่เป็นนามธรรมทั้งสิ้นเมื่อเราเข้าไปสังเกตสังเกตสังเก ต, เ ก, ต, เ ก, ตก็จะเห็นว่าแม้แต่ความสุขเองเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความทุกข์เองเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกข์ความมสุขเกิด ข, ขึ้นแล้วก็ดับไปนะได้โทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งก็อยากก็มีความสุขความสุขอยู่แป๊บเดียวโทรศัพท์เข้ามานะ ลูกค้าโทรมายกเลิกออเดอร์แฟนโทรมาตออว่านะมีข่าวร้ายแจ้งมากเกี่ยวกับที่บ้านที่ครอบครัวก็ทุกทันทีไอสุขที่กําลังถือโทรศัพท์อยู่ที่เพิ่งได้มายี่ห้อไมเอียลก็กลายเป็นความทุกทันทีนะเวทนาที่บอกว่าเป็นสุขเป็นของเราของเราที่ไหนนะมาแป๊บไปมาแป๊บก็ไ ป, ไปนะเกิ ด, ด, ด, ดเกิดดับดับดับดับเกิดเกิดอยู่ไม่เห็มันมีอะไรคงทนถาวรแล้วก็ต้องมานั่งวิ่งไล่ล่าคนก็อยากได้ความสุขอีก็เปลี่ยนไปซื้อกระเป๋า ซื้อกระเป๋าเดี๋ยวก็เบื่อจะไปใส่ไว้ในตู้นะก็ลืมไปแล้วเคยซื้อมาเคยมีความสุขสุขนั้นก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็มานั่งไร่ซื้อกับรองเท้าอีกน ะ, ะได้รองเท้ามาก็สุกสองวันอรุ่นใหม่ก็ออกมาก็ลืมความสุขเดิมก็กลายเป็นเรื่องอื่นก็สมมติมันซื้อรองเท้าอีกคือมันก็วนกันอยู่ให้ได้จนตายไปนะลองนึกภาพดูดีๆถ้าเห็นแค่อย่างสองอย่างก็ต้องนึกภาพดูว่ามันเกิดมากี่อย่างแล้วแล้วมันก็ต้องทําไปอีกกี่อย่าง แล้วก็ต้องทําไปอีกกี่อย่างแล้วก็ทําไปจนตายเพราะฉะนั้นชาติหนึ่งก็วิ่งไล่ล่าหาสุขเวทนาเนี่ยหามาไปเรื่อยๆทํามาหากินทํามาหากินจนกระทั่งมันไม่ใช่ทํามาแล้วก็หาเอาไว้กินหรอกมันทํามาแล้วหามันเอาไปกินหมดนะหาก็คือพวกกิเลสทั้งหลายมันเอาไปกินตอนนี้ทํามาแล้วก็หามันก็เอาไปกินนะจากกระเป๋าใบหนึ่งร้อยเก้าเก้าก็ต้องเป็นสามหมื่นสามหมื่นก็ต้องเป็นสองแสนสองแสนก็ต้องเป็นสองล้านนะ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นความยึดมั่นถือมัน่นความรู้สึกเป็นตัวตนก็ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น น, นี่มันโง่ล้ำฉลาดเพราะฉะนั้นยิ่งมากก็ยิ่งยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นกิเลสก็รุนแรงจัดจ้านขึ้นเมื่อมีเงินก็จะซื้ออะไรก็ได้ก็เกิดเป็นความเคยชินที่จะซื้ออะไรก็ได้ทีนี้พอซื้อไม่ได้หรือไม่ได้ของก็กระฟัดกระเฟียดเพราะมันเคยชินไปหมดนีไงเมื่อฝึกลดละเลิกเอาละ ก็ค่อยๆดีขึ้นมันก็ต้องต้องดีขึ้นอยู่แล้วแต่ก็ต้องทําให้ต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมเพื่อให้เห็นความจริงของกายกับใจนะ่ว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเราจะได้เข้าใจสักทีว่าเออคํานี้หมายความอย่างนี้นี่เองแล้วสาระสําสคัญท่านเลกไม่ออกว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาแล้วอะไรยังไงนะมวัวแต่ตั้งคําถามอย่างนี้ให้กลับมาคิดถึงเรื่องที่ผมยกตัวอย่าง ถ้าเราเดินไปเหยียบขี้หมานะขี้หมาเหยียบที่เท้าเท้าเดือดร้อนก็ไม่เชิมเพราะเท้าไม่ได้พูดอะไรแต่คนที่พูดคือใจของเรานะใจบอกว่าสกปรกอยากล้างเท้าอึดอัดเหนื่อยหนาขยะขยงี้มีที่ใจหมดเลยเพราะฉะนั้นเท้าก็ก็แค่มีความรู้สึกธรรมดา จะเหยียบขี้หมาจะเหยียบขี้ดินจะเหยียบขี้คนมันก็มีสัมผัสเท่านั้นน่ะมีสัมผัสแต่คนที่เดือดร้อนหรือชอบใจกลายเป็นที่นี่นะทั้งทั้งที่ทีนี่ก็ไม่ได้ไปเกี่ยวด้วยไม่ได้ไปโดนเป้นมองให้ออกดังนั้นที่เวลาพระเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายในใจลึกๆก็ไม่ใช่ของเราหรอกของใคร อ, อ่ผมถามว่ากายพูดหรือใจพูดก็ใจพูด ผู้เจ้าบอกกายนี้ไม่ใช่ของเธอไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้ถึงใจเลยใจเกี่ยวอะไรแสดงว่าใจเป็นคนยึดกายกายไม่ได้พูดอะไรเพราะฉะนั้นถ้าใจไม่พูดอะไรกายก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเพาั้นถ้าใจไม่พูดอะไรกายก็ไม่เกี่ยวอะไรปัญหาเลยกลายเป็นอยู่ที่ใจคนเดียวแล้วล่ะถ้าผู้เจ้าภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายนั่งฟังแล้วก็เงียบก็ไม่ด้มีปัญหาอะไร จนวันนึงถอดถอนได้ก็หายไปที่สูทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายก็เขาไม่เคยใช่อยู่แล้วไม่เคยใช้อยู่แล้วนะเรื่องจิตก็เคยหยัง่ยงๆลงมาหน่อยจิตสิบกอาการที่ทุท่าตรัสถึงจนมาถึงธรรมมารม ธรรมารมสิ่งที่กระทบแล้วลอยเด่นอยู่ในใจนั่นแหละธรรมารมอารมณ์นะมทั้งหลายที่เกิดจากการกระทบความจริงคําว่าธรรมก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคือธรรมชาติก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตนะิเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอารมณ์นั้นก็เกิดขึ้นดับไปตามธรรมชาติ เจ้า ก, ก็ะตัดว่าอารมณ์มันวิจิตมีอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะถ้าไม่มีคนยึดถืออะไรมันก็เป็นมันอย่างนั้นมันก็จะลายไปไม่ใช่ว่าพระหันเป็นผู้ไม่มีอารมณ์ก็คือนิ่งตายด้านนั่นเราคิดเอาเองนั่นเราคิดเอาเองว่าคนไม่มีอารมณ์เรานึกว่าการมีความสุขหัวเลาะพูดคุยกระเศร้าเย้าแย่คือสุขอารมณ์อารมณ์มีความสุขไอ้ยังเขาเรียกหลงไม่ในเรื่องมีความสุขเขาเรียกหลงเขาเรียกไหลนะ จะทําตัวงั้นแบบพวกตลกเชิญยิ้มอะไรเงี้ยนะต้องไปก้าเ้าเย้าแย่ต้องอะไรเงี้ยก็คือทําให้มันโอเวอร์ขึ้นนะโอเวอร์ขึ้นพวกนี้มันไม่ได้มีความจริงอะไรพูดให้ขำพูดให้ตลกพูดอะไรเงี้คนก็ก็ชอบชอบชอบทำอ่ะไอคนก็ชอบฟังไอคนก็ชอบทําเพราะนั้นก็เลยก็ยิ่งทํำก็ยิ่งฟังก็ฟังก็ยิ่งทํากันนะมันก็เลยกลายเป็นอย่างนั้นน่ะที่แท้มก็หลงก็ไหลอยากรู้ ตอนที่ผมปฏิบตัติผมอยากรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเนี่ยอล่ะผมยกตัวอย่างนะถ้ากก็บอกอ่ะนี่ก็ดีมีความสุขทางนั้นไปพูดกับหินไปตลกกับหินเฮ้ยดูดิจิจะทำได้กี่น้ไปพูดกับหินเนี่ยไปพูดกับหินแม้จะรู้เรื่องนะอาจารย์ไปพูดกับหินเนี่ย ตอนที่อารมณ์เป็นปกติตอนอยู่หน้าหินอารมณ์เป็นยังไงเป็นปกติอย่างไงนั่นแต่ของเป็นปกติเป็นอย่างนั้นอย่าไปนึกว่าอตอนที่ยิงยงยิ่งยิ่งยงกลายเป็นของดีของที่เป็นปกติคือถ้ามันมีของที่ขึ้นมันจะลงมาสู่ความเป็นปกติเป็นธรรมดามีของที่ลงก็คือทุกขเวทนา ก็จะกลับมาที่ปกติเป็นธรรมดาเส้นปกติเนี่ยที่จําเป็นต้องอาศัยอาณาปานสติเป็นเครื่องวัดถ้าแย่งขึ้นไปนิดหนึ่งเนี่ยเกินละ <c oughs> เพราะยังคนที่ปฏิบัติภาวนาน <c oughs> จะมีอาณาปานสติเป็นไม้บรรทัดวัดนะถ้าไม่รู้ตัวเลยเนี่ยให้ใช้อานาปานสติเป็นไม้บรรทัดวัดถ้าขณะที่กําลังนี่แล้วรู้ลมนะจะรู้เลยว่าเมื่อกี้เกินละ <c oughs> เงียบเลยผมเนี่ยสมัยปฏิบัติพนอะกําลังรู้สึกปั๊บนะไอความที่ฝึกฝึกเอาไว้เนี่ยปั๊บขึ้นมาเนี่ยพอจิตพอรู้ลงทีเดียวเนี่ยจิตจะเข้าสู่อุเบกขาเลยหรือความที่เราต้องฝึกจนกระทั่งผมเรียกว่ า, วาชักโครกรู้ลงทีเดียวเนี่ยคือกดชักโครกคลืน่นไอ้ที่มีอยู่น่ยวุ้บหายเลยพอวุ้บหายมันจะกลายเป็นปกติพอปกติรู้เลยเมื่อกี้เกินหรือขาด เมื่อกี้สูงหรือต่ำแล้วมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆเมื่อเช็คบ่อยๆนะทีนี้มันไม่กล้าออกจากเส้นละไม่กล้าออกจากเส้นเลยถ้าตึ๊บมันจะกลับเลยตึ๊บมันจะกลับตึ๊บมันจะกลับฮะเห็นัต้องตัวอย่างนี้นะฝึกอ่งนี้พจิตก็จะเริ่มเข้าสู่ความเป็นปกติเพราะจิตเข้าสู่ความเป็นปกติก็จะเห็นคนไม่ปกติละทีเนี้ยเ <laughs> ต็มไปหมดแต่ก็ไม่ทําไปเพ่งโทษอะไรเขานะพระเจ้าเขาพบอกอ่าเออานนท์เถิจงอย่าเป็นผู้ประมาณในผู้อื่น เพราะขณะที่เธอกำลังประมาทในผู้อื่นทำวิเศษในตัวงเธอจะหายไปคือมีตัวตนไปเขาด้วยนะก็นะไมนะ่ต้องไปผมเคยเห็นแล้วผู้บริหารคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมลูกน้องคนหนึ่งก็มาปฏิบัติธรรมกำลังประชุมกันประชุมบริษัทเจ้านายก็กำลังใส่เลยลูกน้องออลูกน้องคนสนิทที่มาปฏิบัติธรรมด้วยสกิทพี่พี่รูลง ลมมึงกเ็เดคําำจะไล่มึงออกให้อย่าอย่าประมาทในคนอื่นนั่งเงียบเงียบนะรู้ลมตัวเองอย่าไปรู้ลมคนอื่นนะเดี๋ยวเขาลมขึ้นมันจะเดือดร้อนเดี๋ยวเขาลมขึ้ น, นจะเดือดร้อนนะแฟนกันนี่ก็ลาบากนะทําทมาปฏิบัติด้วยกัน อย่าไอตอนที่มันอารมณ์ดีๆหรือว่าปกติเนี่ยเออมีอะไรเกินกันเราเป็นกันไอ้มิทธไอตอนที่ของขึ้นเนี่ยอย่าไปยุ่งกันเนี่ยรอ้อยมันของลงก่อนจะคุยอะไรก็คุยมันก็ต้องดูถ้าทางอารมณ์ทางอะไรกันบ้างนะคนเราเดี๋ยวเสื้อใบันจะล่มอยู่ๆไปชักใบตอนลมกำลังแรงติ้งเลยนะอย่างนั้นไฟก็ผ่านไปก่อนไม่เป็นไรถ้ารักกันจริงก็ไม่มีอะไร แต่ทะเลาะ ก, กันจริงทะเลาะ ก, กันนะถ้ามีธรรมะนะคนหนึงเงียบก่อนเงียบเลยไม่พูดไม่โต้อตอบไม่สวนไม่ให้คําอธิบายไม่อะไรอะไเงียบอย่างเดียวพอเงียบเนี่ยคนอีกคนหนึ่งเนี่ยธรรมชาติของจิตมนุษย์เลยเนี่ยจะหยุดถ้าใส่อยู่คนเดียวไม่มีการสู้ไม่มีการโต้อตอบเลยเนี่ยสักพักมันจะอ่อนลงแล้วจะหยุด ถ้ามีคนเป็นตัวตนจัดจ้านก็จะรู้สึกว่าตัวเองชนะก็ไม่เป็นไรก็ให้ก็ชนะไปแล้ววันหน้าก็ค่อยค่อยมาเคลียร์ก็ได้หรืออาจจะปล่อยผ่านไปเลยก็ได้นนี่ก็ว่ากันไปแล้วแต่เรนให้หยุดให้คนหนึ่งหยุดอย่าสวนกันไปสวนกันมาเพราะถ้าสวนกันเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวความรู้สึกหนึ่งที่ผมพูดถึงแล้วก็บอเนี่ยคือคําพูดที่จะกรีดหัวใจให้มันเจ็บที่สุดมันจะถูกขุดออกมาแล้วก็ด่ากัน ซึ่งมันกลายเป็นจับมือกันกระโดดลงนรกเลยหรือไม่ต่างคนตา่างถีบอีกฝั่งหนึ่งลงนรกทั้งคู่ลงนรกทั้งคู่สัตว์นรกทั้งคู่อย่าไปทําำเราเดินทางกันมาจนถึงตรงนี้แล้วอย่าไปทําถ้าโกรธหรือว่าหงุดหงิดจริงๆทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยหยุดกลับเข้าเซฟเฮาส์เราดีกว่ารู้ลมหายใจอะไรไปเข้าเซฟเฮาส์ของเราส่วนของเขาก็ถ้าจะเยียวยากันอะไรกันก็รอให้ทุกคนสงบก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ก็ได้ไม่ได้รีบแต่พูดตอนนั้นมันอาจจะไม่เกิดประโยชน์หรือถ้าจำเป็นต้องพูดตอนนั้นก็พูดในเชิงชี้แจงไปถ้าชี้แจงแล้วไม่เข้าใจก็ก็พอก็หยุดเอาละทีนี้มาถึงสัมมาสมาธิมรรคองค์ที่แปดนะเอาละ่ะเราลองมาดูคำแปลกันหน่อยนะดูก่พิภุทษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเล่าพิสุ์ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้สนัดแล้วจากกรรมทั้งหลายเห็นไหมนะสนัดแล้วจากธรรอันเป็นอ ก, กุศลเข้าถึงปฐมฌานทีนี้เมื่อจิตปราศจากการมปราศจากอ ก, กุศลโดยธรรมชาติของจิตจะเข้าสู่ปฐมฌานอันมีวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแรงอยู่เมื่อเราฟังมาจนถึงตรงนี้ขอให้ทํา ให้ฟังด้วยสัมมาทิฏฐิฟังผมดีๆนะให้ฟังด้วยสัมมาทิฏฐิกลับไปดูประโยคนี้ใหม่พิกษุในธรรมวินัยนี้สนัดแล้วจากกามสนัดแล้วจากธรรมมันเป็นอกุศลเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลวอยู่ เมื่อจิตประะาศจากอกุศลประะลาศจากกรรมตั้งมั่นเข้าสู่ปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารณ์ปีติสุเป็นอาการของปฐมฌานซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นสภาวธรรมของใครแล้วเมื่ออยู่ในสภาพนี้สักพักปฐมฌานอยู่แล้ว วิตตอาอากุศลไม่มีกามไม่มีจิตตั้งมั่นเข้าสู่ปฐมฌานจิตจะเดินทางต่อเพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระ ง, งับลงเมื่อที่มีวิตกวิจาร์อยู่ในปฐมฌานเพราะช่วงแรกยังลมอยู่ยังตรองยังตึกยังไรจากนั้นค่อยๆเงียบลงะธรรมชาติอยู่แล้วเงียบลงเมื่อวิตกวิจารณทั้งสองระ ง, งับลงเข้าถึงฌานที่สองเป็นเครื่องพองสายห่งใจในภายใน สมาธิเป็นธรรมนิยเอกขุดปีขึ้นวิถกวิจารณ์ดับไปแล้วนะเหลือแต่ปีติกับสุขดับไปเราทำให้ดับเลยไม่เห็นเกี่ยวเลยเป็นธรรมชาติแล้วถ้าเป็นธรรมชาตินี้เนี่ยผมบอกว่าคนเราเดินออกไปกลางแดดเหงื่อแอดเหงื่อแตกเหงื่อเหื่อไหลจิตป่าเะจากกามป่าเะจากอากุศลเข้าถึงปฐมฌานมีอาการต่างๆเกิดขึ้น อาการต่างๆที่เกิดขึ้นประกอบจิตก็เป็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นทําไมต้องไปเอามาเป็นสภาวธรรมเป็นเราเป็นอะไรนี่คือธรรมชาติที่เกิดขึ้นถ้าเมื่อไหร่คนเกิดไปยึดถือโอ้นั้นเนี่ยอ๋อนี่เอ ง, อเองปีตินะสวดขอให้ได้ปีติขอให้เอาละทีนี้ยุ่งละนะเริ่มเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเจ้าของ ข, องขึ้นมาละ พอเกิดปีติกระเด้งขึ้นมาโอ้นี่เอมปีติโอเราเข้าทีนี้ท่านนึกออกหรือยังว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นท่านกำลังก่อตัวตนตัวตนทีนี้ปีติทั้งหลายไม่ใช่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วนะกลายเป็นของเราเราได้สภาวธรรมนี้แล้วเราก็เอาไปคุยต่อเมื่อเอาไปคุยต่อก็ยิ่งผูกพันความเป็นของเรา อีกสิบปีมาแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องนั้นไม่จบอาจารย์ทำไมเดี๋ยวนี้หนูนั่งไม่เห็นเกิดปีติเลยแล้วเคยเกิดนะเกิดสิบปีที่แล้วโอ ย, ยังไม่เลิกพูดกันอีกเหรอเนี่ยคือตลอดสิบปีนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหรอไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหรอถึงได้ต้องจำสิบปีที่แล้วเอาไว้น่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็พรมไปยึดมั่นถือมั่นมันจึงเกิดตันหาพอเกิดตันหาแล้วทีนี้มันจะมาอีกไหมล่ะไม่มาแล้ว พอปล่อยก่อความเป็นตัวตนอกุศลก็เต็มไปหมดพระอกุศลเข้ามาโมหะเข้ามาทั้งอุทจักกุกกุจะวิจิกิ จ, าก จ, ากจากชาก็ลังเลสงสัยไปหมดให้ทําไมไอ้ทั้งข้อควรยังได้แสดงว่าข้อที่อาจารย์สอนไม่ดีมาเป็นอุย <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งจิตเอาไว้ผิดผมถึงบอกว่าถ้าตั้งจิตเอาไว้ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะก็จะกลายเป็นมั่งแต่พอไปตั้งจิตไว้ผิด อันนั่นก็เป็นสภาวะทำไอหนี่ก็จะเอามันจะเอาอะไหรก็ทํามันปราชากรามอาปราชาอกุศลจิตก็ตั้งมั่นตั้งมั่นก็เข้าสู่ปฐมฌานจิตตั้งมั่นเข้าสู่ปฐมฌานของเขาเองมันเป็นของไข่เสมอไหลแล้วนะเดินออกไปถูกแดดนะเหงื อ, อไหลทาไมต้องมียิ้มโหมเงื อ, อไหลสุดยอดเลยมันจะเป็นอะไรกันวะเดี๋ยวนี้นะไปเอาอะไรแค่ อเราจะาปฏิบัติเข้าไปถึงความหลุดพ้นนะมาเอาอะไรกับตั้งแต่อาการของปฐมฌานเหือมันจะเดินไปไหนเนี่ยเหมือนจะเดินไปเดินทางไปเชียงใหม่นะ่ะคือพูดไม่จบกับกุ๊กุเตี๋ยวเรื่องลังสิตแล้วมันจะไปถึงอะไร อิท ย, ยายังไม่ถึงเลยอ่ะให้เห็นเป็นเครื่องประกอบจิตนะเป็นเครื่องประกอบจิตแค่นั้นเองเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ยึดถืออะไรทั้งนั้นแหละจะเข้าถึงทุติยชาญก็คือ พระ้าถ้าไม่แยกแยกแยกแยกออกมาเนี่ยเวลาท่านเอามาบอกเนี่ยมันก็บอกลําบากท่านก็บอกให้เห็นว่าอาการอย่างนี้นะเรียกไปปถมชาญอาการอย่างนี้เรียกทุติยชาญคนก็ไปอยากได้ชาญซะอีกอย่างเนี้ยก็แค่สมบจากกาสมสังขาจากอกุศลนะที่จะไปถึงไหนจิตจะตั้งมั่นถึงไหนมันก็เรื่องของเขาไม่เห็นจะเป็นเกี่ยวเราเราจะทําอะไรยังไงอ่แล้วก็แค่ฝึกจัดองค์ประกอบให้เขาแค่นั้นเองหาที่ยันเหมาะสม ป่าซจากกาปรป่าซจากอังพุชนก็ปฏิบัติตามมรรคไปเดี๋ยวเดียจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเองก็อยู่ในธรรมมันทำให้มากขึ้นมากขึ้นอย่างที่พระเจ้าตรัสก็อยู่ในมรรคไม่มีองค์แปดทั้งนั้นแหละนะเขเดินทางเองนะจนถึงฌ า, านที่สี่นะ อ, อันนี้ตติยชฌานจนถึงจตุตฌานนะ สุขหายไปก็เหลือเอตเอกขตาจิตก็เข้าสู่ตตุจฌานจิตเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระ อ, อุเบกขาแล้วอะอยู่ทำไมท่านถึงไม่ตรัส ถ, ถึงอรูปฌานหาญ5เจนะก็แค่นี้แค่ไหนก็แล้วแต่ว่าใครจะปฏิบัติไปถึงไหนนะถ้าใครปฏิบัติต่อไปแล้วเกิดว่าอ่ะสมมติว่าท่านนั่งนั่งอยู่แล้วผมก็พูดเผื่อไว้แล้วกันเดี๋ยวเผื่อใครปฏิบตัติแล้วถึงตรงนั้นเดี๋ยวมานั่ง ลังเลสงสัยอีกหรือว่าตกใจอีกพอ<ม>ถึงชานที่สี่เนี่ยธรรมชาติของผู้ปฏิบัติเนี่ยในเบื้อง แ, กแรกๆเนี่ยนะลมหายใจก็จะหายไปเพราะฉะนั้นท่านที่ปฏิบัติแล้วไม่มีลมหายใจเนี่ยอย่าไปตกใจแล้วพยายามสูดขึ้นมาสูดขึ้นมาแต่มันจะไปคู่ขนานกับอีกอคนที่นั่งประเภทหนึ่งคือกึ่งกึงหลับแล้วก็สับสนว่าเออใช่บรลังที่แล้วหรือเปล่า บออันนี้ผมก็แล้วแต่ท่านไปสังเกตตัวเองนบางทีหลับไม่รู้ด้วยตัวมันบอกว่านี่ลมดับไปแล้วมั้งเนี่ยนะไม่ใช่ลมดับแล้วมันดับทั้งทงเนื้อทั้งตัวแหละเอาละแต่สําหรับคนที่ตั้งมั่นทรงฌานอยู่เนี่ยจะรู้ลมรู้ลมก็เริ่มจับลมไม่เจอแล้วจะเริ่มจับลมไม่เจอแล้วลมอยู่อยู่ก็หายไปนอย่าไปตกใจอย่าไปขึ้นมาอีกอ่ะนะก็ไม่มีก็คือไม่มี อย่าลืมนะที่ผมบอกเอาไว้คือเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานลมจะมีก็มีความคิดจะมีก็มีเราไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้ไปยึดมั่นอะไรอ้าวอาจารย์แล้วถ้าลมไม่มีจะรู้อะไรเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเข้าใจไหมสมมติว่าลมไม่มีแล้วแล้วเกี่ยวอะไรก็ยังสงบอยู่เหมือนเดิมถูกไหมละ่ะแค่นั้นเองเพรา ะ, ะนั้นถ้าเราตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ขยับออกไปวุ่นวายเนี่ยปัญหาจะไม่เกิด แต่ถ้าเราออกไปนู่นออกไปรู้นี่ออกไปรูนออป้นั่นออกไปรู้นั่นเพราะไอ้นี้เอาไม่มีแล้จะรู้อะไรเนี่ยปัญหามันจะเกิดแต่ถ้ารับรู้อยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรจะเกิดอะไรจะอยู่อะไรจะไปอะไรจะดับอะไรก็ได้มีอะไรก็มีนั่นถ้าไม่มีไม่มีอะไรก็ไม่มีมมมมอะไรนะถ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่มีลม้มก็ก็อยู่กับความไม่มีนั่นแหละอ่ะก็ที่งงใหญ่นะ ก็เอาเป็นอย่างนี้นะจะมีจะไม่มีไม่เกี่ยวข้องด้วยจนกระทั่งเข้าสึงฌานที่สี่ทุกอย่างก็เริ่มเงียบกันไปหมดนะมีความสงบก็จะเข้าสู่สติที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เอาละสมมติว่าจิตเดินทางต่อเข้าสู่อรูปฌานทีนี้นะเข้าสู่อรูปฌานห้าเรียกว่าอากาสารนันใจยตนะตอนนั้นรูปสัญญาจะเริ่มดับความรู้สึก ที่เคยรู้สึกว่านี่หัวนี่ขาเนี่อะไรนี่มันจะค่อยค่อหายไปสลายสลายสลายสลายสลายอะไรตอนนั้นท่านจะรู้สึกเหมือนหูหายไปหมดเลยเหลือแต่อากาศว่างๆเลยนั่งเนี่ยไม่รู้สึกถึงมือที่ประสานกันไม่รู้สึกถึงขาที่มีไม่รู้สึกตัวหัวอะไรทั้งสิ้นเลยนั่งเนี่ยเหมือนเป็นอากาศว่างๆเลยก็อย่าไปตกใจอีกล่ะก็มันจะอะไรผมถึงบอกว่าอยู่เฉย ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นน่ะนิ่ง น, งน่งสงบอย่างนั้นศึกษาอย่างที่เขาเป็นเขาจะเป็นอะไรก็เป็นไปไม่ต้องไปเอ๊โอ้โอเอาล้วถ้าสมมติว่าเอจริงๆแล้วลืมตาเป็นไงอาจารย์ก็เจอมันก็นั่อยู่นี่แล้วยังไงอ่ะแล้วเนื้อของไม่จริงเนี่ยของไม่จริงในใจอ่ะของไม่จริง รูปปสัญญาเนี่ยที่สัญญาว่ารูปนี้เป็นของเราขึ้นมาในใจนั่นแหละของไม่จริงรู้ไหมเมื่อมันดับลงเนี่ยนั่นหละของจริงแต่ในการดับลงในอักรูปฌปานเนี่ยมันยังมีผู้เข้าไปรู้อยู่สังเกตไหล่ะที่ผมบอกเนี่ยแค่นั้นล่ะความต่างกันของ แต่นี้มันยังไม่ถึงความต่างกันของโลกุตระกับโลกียะชานเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้คือมันยังมีผู้รู้เข้าไปรู้นี่แหละเอาละนะพอเข้าถึงอากาสารัญใจยตนะเนี่ยรูปปัสสัญญาดับคําว่ารูปปัสสัญญาคือสัญญาในความจําได้หมายรู้ว่ารูปเนี่ยเข้ามาฝังอยู่ในใจเนี่ยมันดับมันดับพอมันดับวัดเนี่ย ไม่รู้สึกถึงกายที่มีเลยนั่นแหะรูปประสัญญาดับพอดับไปนานๆนสมองมันจะฟอจะบอกให้ความทรงจําจําได้หมายรู้ว่ากายนี้ขอเรามันจะหายไปเลยทีเนี้ยมันจะนึกไม่ออกนะพอนามไปรูปไปด้วยนะอะนั่นก็เยอะแต่ไม่ใช่ดับแต่รูปประสัญญาละรูปจริงก็ดับน้ำมันมรูปฟังเนี่ยมันดับไปด้วยเลยทีนี้พอเข้าสู่ อากาศสารนัญจายตนะเนี่ยอรูปฌานห้าเนี่ยขนาดนั้นความรู้สึกในร่างกายจะไม่มีไม่ต้องไปทําอะไรนะนั่งเฉยเฉยไม่ต้องไปทําอะไรดังนั้นแต่ว่าจิตเดินทางต่อไปอีกเข้าสู่อรูปฌานหกในอรูปฌานหกเนี่ยชื่อวิญญาณัญจายตนะขนาดนั้นเนี่ยความรู้สึกที่ว่าเป็นอากาศว่างๆหรือว่าอากาศเนี่ยไหลไปที่นั่นที่นี่ที่โน่น เข้าจากคนนั้นออกคนนี้คนนี้ออกคนนู้นเนี่ยความเป็นอากาศว่างๆอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ประสบการณ์ของใครภาพที่ออกมาเป็นยังไงก็ตามพอเข้าสู่อรูปฌานหกวิญญาณจายยตนาเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันจะเหมือนกับมีเพียงผู้รู้ลอยเด่นอยู่กลางนภาสําหรับผมเองเนี่ยผมเรียกว่าเหมือนกับกระสือนะความรู้สึกของผมเนี่ยนะแต่ไม่นับหัว นะนัาจ์เฉพาะไอทิวาบวาบเนี่ยนะคือมันจะลอยเด่นอยู่เฉยๆนะไม่มีกายไม่มีอะไรแต่เหลือแต่วิญญาณผู้รู้ที่รับรู้ทุกอย่างจึงรู้เลยว่าที่รับรู้อยู่ทั้งหมดเนี่ยเหลือแค่วิญญาณจริงๆกายเกยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยมันเป็นความรู้ที่เริ่มประทับเข้าไปในจิตโดยที่วันที่ ใครก็ตามเข้าไปถึงเนี่ยไม่รู้หรอกผมตึงบอกว่าวันที่เราได้จิ๊กซอว์มาตัวสองตัวตัวสองตัวต่อไปเราไม่รู้นะว่าไอ้จิ๊กซอว์ตัวเนี้ยมันคืออะไรจนกว่าวันหนึ่งที่ภาพมันออกมาครบหมดทั้งหมดที่ดทได้จิ๊กซอว์มาคนละวันวันละตัววันละชิ้นสองชิ้นชิ้นสองชิ้นเนี่ยแล้วก็ต่อจนครบเป็นภาพสมมติว่าหนึ่งพันชิ้นเนี่ยเราได้ภาพจนครบเราจึงพอวันนี้มานึกเนี่ยจึงเห็นเลยว่าอ๋อจิ๊กซอว์ตัวนี้เอง ที่มันทําให้ภาพเป็นอย่างนี้นะจิ๊กซอทุกตัวจึงมีส่วนสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยมีความสําคัญทั้งหมดในจิ๊กซอเมื่อก่อนก็นกว่านั่งไปอ่ะลูบ ป, ประชานก็คืออ่ะลูบประชานจิตเดินทางก็คือจิตเดินทางไปอย่างนี้เข้าสู่ชาแ น, น่นชานนี้อาการเป็นอย่างนั้นที่แท้คือความสัมพันธ์กันที่ทําให้จิตได้รับรู้เรียนรู้แล้วก็ได้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ พัญญาการตัดสินของพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดอย่างเกินกว่ามนุษย์คนไหนจะสามารถประมวลวิเคราะห์แล้วก็คิดขึ้นมาได้ไม่มีทางไม่มีทางเลยที่แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจิตของสัตว์โลกจะเดินทางเข้าไปทางเดียวกันทั้งหมดที่เรียกว่าธรรมะทิตตานี่แหละคือมันเป็นอย่างนี้โดยธรรมดาเลยจิตทั้งหมดจะเดินทางเข้าสู่เส้นทางนี้กันหมดเลย อาจจะไม่เป๊ะๆ เ, เดี๋ยวั้งโอ้โหเรื่นี้นั่งไม่ได้ยี่ก็อาจจะไม่เป๊ะๆแต่จิตนี่จะเดินทางก็เป็นทางเนี่ยจะพอเริ่มเหลือแต่ผู้รู้หรือว่าวิญญาณเนี่ยวิญญาณัจา ย, ยตนะเนี่ยอายตนะที่เข้ามาทางวิญญาณถ้าจิตเดินทางต่อไปเข้าสู่อรูปฌานเจ็ดคือในวสัญญาอาคินจัญญายตนะโดยคำแปลของฌานนี้ก็คือสภาพว่าง ในช่วงเวลานั้นภาพของคนก็ดีของสิ่งต่างก็ดีต้นไม้ก็ดีหรือพระพุทธรูปผู้คนทั้งหลายเนี่ยที่รู้ไม่เวลาเรามองอะไรเนี่ยมันจะมีของสะท้อนอยู่ในใจของเราตลอดเวลานะโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกเพราะเราอยู่กับมันมาตั้งแต่เกิดเวลาเรามองคนนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะผมว่าผมมองไปที่คุณ คุสณสปานีเยครับมันจะอย่างนี้สมมติว่ามีคุณสุปานีอีกคนหนึ่งสมมติอย่างนี้นะบโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเราจึงรู้สึกว่าเขาเป็นคนเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งมันจะมีตัวบอกอยู่ในนี้แต่ในฌานนี้ยอาคินจันยายยตนะเนี่ยเมื่อมองไปที่ไหนเนี่ยไอ้ที่มันเคยมีอย่างเนี้ยมันดับ เมื่อมันดับเรจะมองคนนั้นเนี่ยมองไปที่ต้นไม้ก็ทำให้ต้นไม้ว่างเพราพุทธรูปว่างบ้านว่างทำให้สรรพสิ่งมันว่างไปหมดเลยมันว่างทีแรกคนที่มันว่างข้างนอกคือโดยความเข้าใจของคนที่เข้าถึงอรูปฌานนี้เนี่ยข้างแรกเราจะรู้สึกว่าข้างนอกมันว่างเพราะไม่เคยรู้ว่าโลกนี้มันอยู่ที่จิตจะรู้สึกว่าข้างนอกมันว่าง ทำไมทุกอย่างมันว่างไปหมดเลยแต่มันก็จะเป็นช่วระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ใครจะนานแค่ไหนก็ตามแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นมาสิ่งนั้นก็จะหายไปอันนั้นคืออรูปฌานเจ็ดฌานนี้เริ่มสอนอะไรเริ่มสอนว่าความจริงเมื่อจิต ด, ดับของมันว่างของมันอยู่แล้ว ของที่ไม่ว่างในโลกเพราะจิตปรุงสิ่งนั้นขึ้นมาด้วยนะเห็นไหมว่าชานทั้งหมดเลยเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือจิ๊กซอตัวสาคัญของพระนิพพานทั้งนั้นเลยผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่เข้ามานั่งยึดถือสภาวธรรมพวกนี้หรอกแต่พวกนี้จะกลายเป็นเครื่องประกอบที่ทำให้จิ๊กซอทั้งหมดเนี่ยชัดเจนมากๆ จนเข้าถึงอรูปฌานแปดถ้าใครศึกษาพระพุทธเจ้าเนี่ยในอรูปฌานเจ็ดเนี่ยท่านได้พบกับชื่ออาลลดาบทอุทกกะกดาบทนะอรูปฌานเจ็ดอ า, าลาดาบทเป็นผู้แนะนําบอกพระพุทธเจ้าอ่าตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายสิตทัศน์ อุทกกดาบทสอนอรูปฌานแปดการเข้าถึงอรูปฌานแปดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะแปลเป็นภาษาไทยก็ชื่อว่าจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ทีนี้ผู้ที่เข้าถึงอรูปฌานเจ็ดคืออากินจัญญายตนะคือเข้าไปเห็นสภาพว่างจะเริ่มงงจะเริ่มงงกับสิ่งที่เห็นซึ่งเริ่มผิดปกติจากสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อน ทำไมมันว่างหรือว่าโลกนี้มันว่างจริงๆทีนี้พอเลยจากนี้ปัญญามันเริ่มเต็มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเข้าสู่อรูปฌานแปดในวาสัญญาณาสัญญายตนะมันจะได้นอ๋อจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่ฮะจะบอกว่าสิ่งนี้มีก็ไม่ใช่มันก็ไม่มีแต่จะบอกว่าไม่มี เห้มันก็มีนะเนี่ยมันจะเริ่มเกิดความขัดแย้งกันละซึ่งตัวเนี้ยตัวสําคัญเลยตัวสําคัญเลยที่จะเข้าไปถึงความเป็นอนัตตาล่ะที่ ว, ว่ามีก็ไม่ใช่ที่ ว, ว่ามีมีก็ไม่ใช่กายนี้จะบอกว่ากายนี้เป็นของว่างก็มีนะแต่จะบอกว่ามีก็ไม่มีในอะไรทางนั้นก็เป็นธรรมชาติ คือมันจะเริ่มสับสนไปหมดเมื่อก่อนเคยมีแล้วก็เป็นของเราตอนนี้จะเริ่มปั่นป่วนแล้วเพราะฉะนั้นสัญญาทั้งหลายที่เคยว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยเมื่อโดนทั้งแปดฌานเนี่ยเข้าไปเนี่ยปั่นป่วนผมบอกเลยปั่นป่วนเลยที่เคยรู้สึกว่านี่เป็นตัวเรานี่เป็นของเราจิตใจเป็นเราความสุขเป็นของเราโดนไอ้นี้เข้าไปเนี่ยกระชากไปกระชากมาเนี่ยหมุนติ้วเนี่ยแต่ตั้งมั่น หมุนติ้วแต่ตั้งมั่นสัญญานี่แปรปวนหมดเลยหลังจากนั้นง่ายแล้วเพราะการจะถอนเสาที่ตักลงมั่นในความยึดมั่นถือมั่นที่พระเจ้าบอกว่าเสาละเนียดเนี่ยโดนเข้าไปแปดชานถ้าใครเห็นอย่างจริงจิงเนี่ยเสาละเนียดนะั่นถูกโยกจนคลอนแบบสุดๆเลยถูกโยกจนคลอนสุดๆทีนี้เมื่อเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเนี่ยจากอารูปฌานแปดย้อนกลับไปเกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ย ย้อนไปย้อนมาอีกไม่กี่ทีเนี่ยเสาลาเลียดนะหลุดแน่ไอ้ที่ว่ากายของเราจิตของเรานี่นหลุดแน่แน่เพราะว่าโดนโยกคลอนไปหมดแล้วเห็นความจริงแล้วไอ้ที่ยึดถือเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นความเห็นผิดทั้งหมดอยู่ที่นี่อยู่ที่ทิฐิที่หัวใจที่ใจนี่จากนั้นถอนพื้วเดียวเลยหลุดนะ แต่พระเจ้าไม่ได้ตรัสถึงในสมาสมาธิแต่ก็ไปตรัสถึงในสมาธิส่วนอื่นๆแต่เพียงแต่ว่าที่ผมเอามาพูดเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าสมาธิส่วนต่างๆไม่ว่าใครจะถึงแค่ไหนก็ตามเนี่ยจิตจะตั้งมั่นแล้วก็อนุมานเข้าไปเห็นส่วนต่างๆแต่ถ้าใครเห็นทั้งแปดฌานจะด้วยของเจอจะความตั้งใจของเก่าธรรมดีสั่งสมามามาก อาจจะเหตุผลไหนก็ไม่ต้องมานั่งพูดกันให้เยอ ะ, ะใครจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้น่ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นทั้งแปดท่านก็รู้สึกว่าโอ้คนที่จิตเข้าไปเห็นอย่างนี้ก็คงถอดถอนง่ายกว่าเขาอาจจะใช่แล้วถ้าเห็นไม่ถึงะสมมติว่าแค่ฌานสี่ก็ต้องใช้วิธีเข้าไปเห็นการเกิดดับให้มากอือแล้วได้ฌานหนึ่งพระเจ้าก็ตัดไว้แต่พระนลสันธิทีการนิพพานเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปฐมฌ า, านต้องไม่ใช่ถึงจะทําไม่ได้แต่ก็ ก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาโยกกันไปเรื่อยอะไอ้สาวระเนียรเนี่ยนะต้องโยกเขาไปเรื่อยอะมันแพะอะไรคนเก่งก็แพ้คนขยัน่ะคนทําต่อเนื่องคนสั่งสมมาคนต้องต้องสู้กันอะแต่มาวยามะใช่ไหมถ้าบอกเออฉันสั่งสมมาน้อยงั้นฉันพอดีกว่าอ่ะมึงก็เลิกกันสินะถ้ารู้สึกว่าโอ๊ยฉันทําไมปัญญาไม่ก็ไม่มีก็ต้องเต็มที่หน่อยเอออย่างเงี้ยมีเป้าหมายแน่ เอาก็มาถึงรูปประชัน8แปดจนกระทั่งมาตินตอนจบของอริยมัคเมีองแปดคือสัมมาส ม, มาธินะองค์แห่งความเป็นพระอเศคาและ พระเสขะพระเสขะคือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วพระเสขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษานะอะเสขะบุคคลกับเสขะบุคคลนะอะเสขะบุคคลที่ไม่ต้องศึกษาแล้วคือจบกิจแล้วก็มีท่านเดียวบุคคลผู้เดียวคือพระอรหันต์นะนอกนั้นแม้แต่พวกเราเองจนถึงพระโสดาบันพุทธกาคามีพระนาคามีก็ยังถือเป็นเสขะบุคคลทั้งสิ้นนะ ยังเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาภิกษุทั้งหลายในบริการละแห่งอริยสัมมาสมาธินั้นสัมมาทิิย่อมเป็นองค์นำหน้าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีสัมมาทิฏฐิอยู่สัมมาสังกปะย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาสังกปรอยู่ ส, yeah ส, ığımız ığımız ığımız สัมมาวาจาย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาวาจาอยู่สัมมากัมมันตะย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมากัมมันตายู่สัมมาอาชีว่ย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาอาชีวายู่สัมมาวายามะย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาวายามะอยู่สัมมาสติย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาสติอยู่สัมมาสมาธิย่อมมีเพียงพอเมื่อมีสัมมาสมาธิอยู่ สมัมมาญาณะย่อมมีเพียงพอท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะอันนี้เข้าสู่มรรคองค์ที่เก้าเลยเพราะว่าสัมมาสมาธิแล้วยังมาต่ออีกเนี่ยนะเขาไม่ได้เรียกมรรคองค์ที่เก้ามรรคองค์ที่สิบแล้วนะครับในมรรคองค์ที่แปดก็คือมรรคองค์ที่แปดอริยมรรคมีองค์แปดทีนี้เราจะเห็นว่าเอ๊ะทาไมยังมีสัมมาอีกสององคนะ์มีสมัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตตนะิพระเจ้าตรัสเรียกว่าสัมบัตต ส, สัมมตตาสิจะเกิดขึ้นเฉพาะในพระอรหันต์เท่านั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะในพระอรหันต์เท่านั้นในอริยมรรคมีองแปดยังเป็นเส้นทางเดินเพื่อสู่ความหลุดพ้นเป็นอริยมรรคทีนี้นเมื่อจิตเห็นความจริงของธรรมชาติอย่างแจ่มแจ้งผมถึงบอกว่ามันยังมีผู้เข้าไปเห็นคือจิตยังเข้าไปสังเกตจิตจึงเกิด เป็นเหมือนกับสัมมาทิฏฐิเข้าใจไหมสัมมาทิฏฐิไปปนอยู่ในธรรมชาติยังไงล่ะธรรมชาติก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมชาติจะมีใครไปนั่งดูธรมธรมชาติเด้ออ๋อเข้าใจธรรมชาติแล้วทังนั้นแสดงว่ายัางไม่ได้เป็นธรรมชาติยังไม่ใช่ธรรมชาติดัะนั้นจึงสลายความปัญญาทั้งหมดในสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญานั่นแหละสลายปัญญา ทั้งหมดเข้าสู่ธรรมชาติพอรู้แล้วว่าจิตเองก็เข้าไปยึดถือตัวเองจึงเกิดเป็นปัญญาปียาณะที่ถูกต้องเป็นสัมมาญาณนะจะมีเฉพาะในพระอาหารหันต์เท่านั้นจากนั้นเมื่อเกิดปัญญาอันถูกต้องว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งถอดถอนปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในตนจิตปล่อยความยึดมั่นถือมั่นในตนเพราะเห็นแล้วว่าจิตว่างจากตัวตน ที่ยึดอยู่ด้วยความไม่รู้แต่ตลอดทางเนี้ยได้แซะแซะแซะแซะแซะแซ ะ, แ ะ, แะมาเรื่อยๆจึงเข้าสู่สัมาวิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นที่ตรงนั้นนั้นจึงมีในพระอาหารหันต์เท่านั้นทีนี้สภาพนี้เนี่ยผมถึงบอกว่ามันมีความต่างกันแต่เห็นเหมือนกันก็ตรงที่ว่าในผู้ที่ถึงอรูปฌานก็จะเห็นแบบเดียวกันครูเจ้าก็ตัดว่าเขาเห็นเหมือนกัน เขาเห็นเหมือนกันในพระนิพพานแต่ฝั่งหนึ่งไม่มีผู้รู้ผู้เห็นแล้วเข้าสู่ธรรมชาติแต่อีกฝั่งหนึ่งมีผู้รู้ผู้เห็นธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติอยู่เขาจิงตายไปแล้วไปอยู่ในอารูปขพรมนะจึงไปกันคนละช่องดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติแล้วก่อตัวตนขึ้นมาตลอดทาง ไม่ว่าจะสภาวะทำก็ดียึดถือก็ดีแอบยึดถือก็ดีไม่ตั้งใจจะยึดถือแต่ไปยึดถือเพราะการปฏิบัติสั่งสมมาแบบนั้นเมื่อเขาจบแล้วเขาพนึกว่าเขาบรรลุแล้วถ้ามีคำว่าเขาบรรลุแล้วเมื่อนั้นเขาได้เป็นอรูปคมแม่นะทีนี้ใครละ่ะจะมาบอกในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่อยู่แล้ว ก็เหลือเฉพาะครูบาอาจารย์ที่ผ่านตรงนี้ไปแล้วจะเห็นทันทีจะรู้ทันทีว่าใครติดอยู่ตรงนี้แต่ชั่วโมงนี้ผมเห็นว่าไม่มีใครแก้แล้วเพราะมันเหนียวแน่นเกินไปมันฝังความเห็นผิดในการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นบอกไปก็คงไม่มีใครแก้ตัวเองได้เพราะไม่ใช่มีใครจะไปแก้ให้ใครได้ บอกไปคนคนนั้นก็ต้องแก้ด้วยตัวเองแล้วเป็นเส้นทางที่เขาเดินผูกมาแบบนี้ตลอดเขาจะเดินแก้หรือเปล่าหรือจะแก้ได้หรือเปล่าไม่มีใครรู้ถ้าแก้ไม่ได้หรือแก้ได้ไม่ทันเป้าหมายก็คือที่เดียวกันกับที่พระองค์บอกก็คืออาลาลด า, าบทอุทักดาบทเห็นเหมือนกันพูดเหมือนกันเวลาแสดงแสดงออกมาเหมือนกันต่างกันที่ยังมีคนหนึ่งเห็นแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้ว เอาละสำหรับบ่ายวันนี้นะอาจจะยังไม่ถึงไตรสิกขาแต่จ่อที่จะกดอีกสไลด์เดียวก็ถึงแล้วนะแต่ก็คงพักไว้แค่นี้ก่อนนะเอาไว้น่าจะก็อีกทีเดียวละไตรสิกขาแล้วก็เข้าอาริยสัจเลยนะตอนนี้ก็ใกล้จ ะ, ะมันก็ถึงไม่ใกล้นะเวลาบรรยาย ม, ามันก็จบไปแล้วละแต่ว่ายังอยู่ในวิทยัยงมา ก็ เ, เรียกอริยะมรกมีองค์แปดเนี่ยสังเคราะห์ลงไปในไตรสิกขานะเพื่อให้เห็นการทำงานง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมรกมีองค์แปดแล้วเนี่ยก็ทำงา น, นยังไงเป็นสามกลุ่มผมก็จริงๆิผมก็พูดไปแล้วล่ะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะก็เพียงแต่ให้เห็นภาพชัดเจนว่าอ่านี่เดียวให้ก็ พ, พูดไปแล้วล่ะนะสามกลุ่มนี้เอาละภาพนี้ก็ชัดเจนนะ อรีมักมีองศาเมื่อสังเคราะห์ลงไปในไตรสิกขามักองค์ที่หนึ่งสองก็เป็นส่วนของปัญญาปัญญาสิกขามักองที่สามสี่ห้าก็เป็นส่วนของศีลสิกขานั่นเองส่วนมากองค์ที่หกเจ็ดแปดก็เป็นส่วนของจิตสิกขาหรือสมาธิสิกขาทีนี้เมื่อปฏิบัติไปนะศินส่วนใหญ่ก็เริ่มบริบูรณ์ขึ้น ไม่ต้องมีเจตนาเป็นเครื่องเว้นความรู้สึกต่อศีลก็แทบจะหายไปแต่ก็ไม่ทําผิดศีนอีกถูกไหมนั่นก็จะเข้าสู่รูปนี้คือศีลสิกขาดูเหมือนจะไม่มีก็จะเหลือแค่สองกลุ่มในสิกขาเขาก็ยังเรียกต่สิกขาเพียงแต่สิกขาหนึ่งเนะี่ยครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะเหลือแค่ปัญญาสิกขากับสมาธิสิกขาซึ่งมีชื่อเรียกแทนว่าสมถะและวิปัสสนาปฏิบัติไปจนเกิดสมาธิติยังไงอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอน เข้าถึงอริยสัจอีกทีหนึ่งเอาละนะอันนี้ก็คือหลักการที่อยู่เบื้องหลังการปฏิบัติทั้งหมดไม่ใช่มีไว้ให้ท่องต้องท่องทําความเข้าใจหรือแ่บไอ้ทําความเข้าใจก็ทําไปเพราะผมก็พยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแต่ทีนี้ให้มองกลับมาที่การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วอ๋ออย่างนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ไปท่องว่าต้องทําอย่างนี้ต้องอะไรท่านปฏิบัติไปเนี่ยรู้ลมหายใจก็ไปสังเกตเห็นอะไรเนี่ยก็คือสมถวิปัสนาเนี่ย แล้วนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นก็อย่าไปกังวลมากเรื่องฌานเรื่องอารมุปรฌานอะไรแล้วฉันนั่งไม่ได้คือตอนนี้นะอยา่าเพิ่งไปมองอะไรละอกุศลจเจริญกุศลก็ท่านในบอกก็ผมถึงบอกว่าว่าถ้าท่านยืนยันว่าท่านทางนี้ก็จะเอาทางนู้นก็จะเอาเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนะคือมันเหมือนกับที่ พยาอธาิบายว่าเหมือนฟองกา๊าซไข่เน่าเนี่ยเกิดขึ้นมาจากน้ําเน่าแล้วก็บ่อน้ําเน่าก็มีฟองกา๊าซไข่เน่าพุดขึ้นมาเป็นนิวร์เอานี้ง่ายๆเกิดขึ้นมาเป็นนิวร์ในใจเข้ามารบ ก, กวนจิตใจวันนี้อกุศลไม่รับจะเอาอักข u ศลด้วยจะเอากามด้วยก็เหมือนกับอสมมุติว่าท่านทําไม่ทางผิดศีลละลอกพื้นบ่อลอกพื้นบ่อออกลอกที่ออ ด, ดินเละๆออก นะลอกคี้ดินคนโคลนออกน้ำก็หยาแย่แต่ถ้าท่านยังประกอบตนผัวพันอยู่ด้วยความไข้ในกามก็คือการโยนขยะลงไปทีละชิ้นสองชิ้นะล้างจานที่บ้านเสร็จก็สาดลงไปขยะเหลือก็สาดลงไปขี่หมูลาที่หมาแห้งก็โยนลงไปเพราะฉะนั้นฟองกักไข่เน่าจะหยุดไหมไม่หยุดไม่หยุดก็แปลว่านิวรณไม่หยุด เมื่อนิวรเข้ามารบกวนจิตไม่หยุดจิตที่ไหนจะตั้งมั่นก็มาอยู่ที่เดียวกันนิวรก็ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเดี๋ยวก็อยากกินนั่นเดี๋ยวก็อยากไปนี่ทํำไมลัาคาญจังเลยไม่ได้จบสักทีเนี่ยมันเข้ามารบกวนหมดนะความเป็นตัวตนนู่นนี่นั่นมารบกวนหมดเพราะฉะนั้นจะทําอะไรจะให้ผมทําอะไรอ่ะท่านเป็นคนทําใครจะแปลเอาอะไรออกจากใครล่ะใจิตใจของเขานะ่นะนั้ทั้งที่มันก็ไม่ได้มีตัวตน แต่เราก็ยึดถือของไม่มีตัวตนนะอะไรที่ผมชี้ให้ท่านเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะโกรธอาจารย์คงไม่พอใจไม่เกี่ยวเลยนะทําให้ท่านเข้าใจแล้วก็เข้าใจความจริงเท่านั้นเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาอยู่ที่เราเท่านั้นแหละนะผมก็ฝากไว้แค่นี้แหละนะไอ้ผมมาพูดจะเหนื่อยจะเหนื่อยหรือจะเป็นอะไรเนะี่ยพรุ่งนี้เราก็ไปกันหมดแล้วท่านก็กลับบ้านผมก็กลับบ้านผมก็จําท่านไม่ได้ท่านก็จําผมไม่ได้สี่งที่ท่านจะไปทำก็คือเอาไปทํา ปรรยาการตรัสรู้ของพทธเจ้าผมมีหน้าที่มาอธิบายอธิบายแล้วก็ไปสำหรับบ่ายนี้ก็คงพอแค่นี้